ที่วัดป่าวัดตลุกวนารามวันที่30กันยายน2559เรื่องยานตามหลังธรรมโดยหลวงตารณรงศักดิ์ขีนาลยยา ะ, ะยกม คือคิวเก้าหอนกับว่าหนูหนูก็พยายามแบบคือแบว่าเราไม่ติดกับอะไรใช่ไมนะตาคิดว่าเราไม่ติดกับอะไรก็คือทุกอย่างก็คือรู้ก็คือพอดูก็คก็ดูว่าทีนี้เราคิดถึงอไแต่เอค่ะถเริ่มแบบเอ้มแบบเราคิดไหพอถ้าถ้าเกิดอกตัวเองว่ากำลังคิดนะ ก็หนูก็จะรู้สึกนว่าเอ๊ะนี่ปร่งแล้วนะถ้าไปบอกว่ากาลังคิดอยู่นะก็ก็เริ่มมองมันเหมือนมว่าไหวๆไหวๆออกมาก็คือพยายามดูว่านะคะนี่กาลังเรากำลังเข้าไปปุงอยู่นะแต่ว่าก็มีสงคำาเดี๋ยวเดี๋ยวสรเดี๋ยวจะก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ย ว, ว, ย ว, ยวจะก่พอมันปูอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะหลเข้าไปปูุง ทีนี้เราก็เราเป็นนกปงะเนี่ยเดี๋ยวรจะไปตัดตออยู่เรอเดี๋ยวเสมมติว่าเราไปดูอะไรเนี่ยแล้วก็มีตัวเราเนี่ยคองสิ่งนั้นเช่นว่าเราเห็นว่าตัวเราปรังปงอยู่ว่าเดี๋ดีแล้วไอตัวหลังเนี่ยพอไปูปุ๊บเอ๊ะาก็บอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเราก็เข้าไปปงหรอเดี๋ยวเราก็ไปปงตรงนี้่ยินนี่จะเรารู้ว่านี่เราก็ไปปรุงต่อไปเรื่อยๆหรอ เฮไม่ได so okay. kind of so ้ปรด็เราต้องไห่ไ <k> ม <bridge> okay. ่ใช uh ่ยีองไงไอนเนี้เราไม่ไปตัดตอนะไม่ไปจัดตอนเดี๋ยวเรต้องต้องเรียนตรงนี้เราต้องมาลองลงตรงนี้เราเราไม่ไม่ไปดูตรงนี้ไม่ไปตรงนี้เดี๋ยวเรางี้เราต้องไปต่อเออมาปรูอะไรก็คือปรุอย่างนั้นแหละแล้วไอผู้รู้ตัวใหม่ก็มาเห็นอีกได้ผู้รู้ตัวใหม่ก็ปรูงอีกได้ผู้รู้ตัวใหม่เนี่ยไปเห็นอีกไอผู้รู้ตัวใหม่ก็ปรุงอีกการปรุกเช่นเนี้ยปรไอตัวผู้รู้อันใหม่มันจะต้องมาปรุงอันแรก กูดอใหม่กับกูด mm ูอนที like, like, like, like. ่สองกูดใหม่กับมูดูอที่สามกูดใหม่กูมาที้งทีไม่มีีไม่มีหนีเลยไม่มีเลี่ยมไม่มีหนีมีแต่เห็นมีแต่เห็นมีแต่เห็นอย่างเงี้ยไม่มีเลี่ยงไม่มีหนีนะมันไม่มีถอยหรอกเพราะว่าเพียงไงที่ถอยถอยถอยถอยมันเนี่ยก็คือว่าเพียงแต่ว่าให้เข้าใจแต่เวลาเห็นจริงๆเนี่ยไอ้ทุกกริกาการที่มันเกิดการถอยถอยถอยก็มา คอยคๆยแต่ว่านเะด้วยคุณด้วยยด้วคิดด้วยเ่แต่ความจริงเนาะหมดเนี่ยต้องต้งรู้ต้งคิดต้งรู้ต้งคิด้งรู้ต้งคิดไอ้ตัวหลังเนี่ยไอ้รู้ตัวหลังเนี่ยมันไปรู้ไปรู้่าแรมันก็ต้องคิดอะไรเช่นว่างตัวอย่างเช่นหไอ้เดียงง่ายๆอย่างว่าเข้ามากาแฟเขาเนี่ยสวยมากเลยห่อมากผเขาาแฟนเขสมากบอกว่ากผแบกว่ามากเลยแล้วเราก็ไปคิดกาแฟเขาอย่างไร พอตาแล้วเนี่ยไม่เห็นแฟนเขาบาแปลงกนหนักสดมากบอกเป็นก่อมากเลยแล้วเราเนี่ยก็ไปรู้ว่าเราเนียไปคิดกับแฟนเขาก็อย่างไรไคิดอาภุดสดนะกัแปนก็อย่างไรนีนะอันเนี้ประตูแรกตอวนี้อาดที่หนึ่งแล้วพอเราเห็นต่านแรกสมมติเหมือนได้เนี่ย เอาแฟนเข้ามาแฟนก็สวยแฟ น, เ ข, แฟนเขาหล่อเด็กมีกระติกเองแฟนก็สวยมากเลยหล่อมากไม่เห็นพ in sure you you ุกไม่อยาคิดอาวุโสกับแฟนเขาใครตัวนี้ใครตรงเนี้เป็นตัวคิดอาวุโสกับแฟนเขาตัวนี้ตัวที่สองตัวที่สองเป็นตัวคิดอาวุโสคิดอาวุโสกับแฟนเขาเพราะตัวที่สองคิดอาวุโสกับแฟนเขาถ้าเราสติเราเร็วๆเราติตลอดไม่มีการหนีไม่มีการหล ไอเราจะเห็นในโัวที่สามเนี่ยที่มารู้มารู้กวอนคิดเอามารู้ว่าเรากาลังคิดอะไรุไอโัวที่สามเนี่ยที่มันมารู้เนี่ยมารู้ความคิดเราเนี่ยล้วก็บกเออองไปคิดอาไรกุศลกลไปก็ได้ยังไงเนี่ยไอตัวนี้ก็บอว่าไอโที่สองว่าเออเองคิดอาไรกุมลกลไปเข้าไงว่ายตัวความคิดตัวนี้อ่าเ่องอะไรที่สามนะผมก็จะนั่งไอโซนที่สามเนี่ยผมไปว่ายกุศลอไปคิดอาไรกุศลก็ไปกขไงเนี่ยออไปว่าย ไอตัวที่สี่ไอรู้ตัวที่สี่มันก็มาอีกไอรู้ตัวที่สี่มันมารู้ไนี่มันมารู้ตัวนี้มันมาลุ้ยตัวที่สามนี่แล้าแก่จริงมัรู้หมดเลยแหละแต่มันมาว่าไอตัวที่สามทีว่าไอตัวที่สามเนี่ยไอที่พึ่งเี่ยไม่ว่าเขาเนี่ยว่าไม่ว่าเขาคิดเอางู้นหรือย่างีไดงไอ้ที่พึ่งไม่ว่าเขาเนี่ยงู้นก็ไปว่าเขาเนี่ยงู้นก็เปเอางู้นไอตัวนี้ก็มาว่าไยตัวนี้เข้าใจไหม ไอผู้รู้ตวลานเนี่ยอว่าไอตัวี่อีกตัวที่เมื่อวานเเียิว่าวึงไ่ว่าเาก็มีตัวนจริงกไม่ว่าเาอีกก็ไม่สจริงไอตัวเนี้ยเราเลยบว่าไอตัวที่ที่สามท้ายไอตัวหลังมาอีกอกวยก็บว่าตัวี่อีกไอที่มึงยัไว่าไอที่สเนี่ยมึงก็ไว่าเามึงก็่างวจริงมึงไม่รู้มึงไ่รมันว่าตัวเดียวว่าตัวเดียวมันก็บ้าชอนช้อนช้อ ไม่มีที่จบสิ้นดีกว่าเราจะตายแต่เนี่ยธรรมชาติของคนเนี่ยมันจะไม่ได้เห็นแค่ที่กระบวนการเดียวไปจนถึงก็ตายเดี๋ยวมัก็ไปตั้งตัวใหม่ไปตั้งตัวใหม่ไปว่ากัตัวใหม่ไอูงตัวไปรับไปรับไปชันของอันใหม่พอไปรับไปชานอันใหม่ต้องตีเราเร็วเราต้องเริ่มกับอันใหม่ดีผมพูดใ้เปลี่ยนเป็นเข้ามาเปลีเาจะเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะที่นเปลี่ยนเรื่องอื่นแทนที่จะเป็นทเรื่องเดียวนี่มันไม่ที่เรเดียวเดไป มันไม่คิดเกี่ยวกับสิ่งตายแต่คมันเิดคิดอะไรกันเปคิดอดีตเสมอนะคิดถึงอดีตเอ่อเคคิดถึงอดีตเิดคิดถึงอดีตที่ทุกข์ใจเมันใบใจก็ได้อ่มันก็ตัดตอนได้วเวลาามันคิดเรื่องใหม่ก็เปลี่ยนเรื่องใหม่อ่เปลี่ยนเรื่องใหม่พอเปลี่ยนเรื่องใหม่ปุ๊บเขียคิดถึงเรื่องอดีตที่เป็นทุกข์ไอ้ตัวนี้ไอ้ตนี้ก็มัน ไอ้ตัวที่สองก็มาเห็นไอ้เนี่ยวิญญาณขันจิตหวิญญาณขันเนี่ยไอ้ที่บรรลุรู้ตอนเนี่ยมันคือจิตหรืวิญญาณอขันพอมันบรรู้ว่าไอ้เนี่ยไปคิดถึงเรื่องอดีตที่เป็นทุกข์ไอ้ตัวมันเนี่ยมันไปรู้กุมันก็คิดเลยอ่าไปคิดอย่างนี้ได้ไงเดี๋ยวเป็นทุกข์ตายเราหนึ่งอ่าไปคิดถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมานี่มันหลงไม่ใช่เหรอเนี่ยอ่าไม่ใชเนี่ยมันก็หลงไอ้ตัวที่สมันก็มาเห็นได้ดีกว่าไอ้เนี่ยมันไปคิด แค่มันไปคิดถร่องอดีไอ้ดบไอดีาบให้ตัวนี้องไอ้ที่มึง่นกุ้ิ้งกุ้งหิ้งเขาเนี่ยมึงก็ตัวสัาแต่ไอ้ตัวนี้กับพอบ่ายดีมึงก็ไอ้ที่ไปบ่นให้ตัวนี้สองเนี่ยมันก็สถารแต่งั้อบ่นเาเนี่ยมนคิดอย่างนี้เดีไงมันเป็นอดีตไม่ใช่เหรอแต่ไอ้ตัวที่ไปบ่นนี้อดีตมันก็เป็นสัานมันก็เป็นสัาดีไอ้ตัวนี้ก็ไอ้ที่มึงเป็นสังขารร่กับเขาเนี่ยมึงก็ตัวมันเองมึงก็เป็นส มันพูดเป น, น, น, นเรื่นใจญ่ง้ไม่มีเจ็บเี๋ยวพูดพูดนกระบวนการนี้ยามาเดี๋ยวไปพูนนาาเดเรื่องใหม่นะอันใหม่มันจะเป็นเองทั้งชีวิตเราอย่านีอย่าตัดตอนไม่มีห้ามอะไราอย่ า, อ ย, าอย่าเดี๋ยวจะไปอย่าเดี๋ยวเราจะหนไปไม่มีเราแด้แต่เห็นอยนะ่างเงี้ยแล้วเราจะต้อ ง, าองษษษษาการที่ขาดก็เลยว่าความจริง่อ ฟังรู้อะไรแล้วต้องคิดรู้อะไรแล้วต้คิดรู้อะไรแล้วต้มีเวทนารู้แล้วต้องคิดรู้ต้องมีเวทนาเพามันเป็นวิญญาณธาตุต้องส่งต่อเวทนาส่งต่อสัญญาส่งต่อวาฏฏาแล้วก็ส่งต่อวิญญาตัวต่อไปที่มาลุ้นแล้วก็ไอวิญญาตัวต่อไปก็ส่งต่อเวทนาส่งต่อสัญญาส่งต่อวัฏามันต้องรู้ปุ๊บแลนต้องรู้สึกว่าไอสิงนั้นมันดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจหรือเป็นกลางกลางก็ส่งต่อยำได้หมายรู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็มีความคิดปรุงปคิดว่าอะไรเป็นอะไรเคยเกี่ยวข้องมันยังไงงเยมากีั้้แลว มันก็จะต้องรู้หมดตลอดสายของมันเนี่ยเราไปตัดตอนตัวใดตัวหึ่งไม่ได้มันจะต้องเป็นเยสติรุ่ายแต่เราก็เน่ยอะไรจะรู้อ่ะเนี่ยมันมีแย่เกิดซึ่งตอนก็ก็ไมีที่จบสิหรอกมันแค่แต่แค่รู้มันไม่ได้ไปขุดขุดกินเครียดอะไรกับมันก็เห็นว่ามันเป็นธรรมชาติไปล่งแสงเราก็ได้แต่เห็นมันอย่างเงี้ยใหใจเรายอมรับอ่ะมันต้องรู้ต้องเห็นตั้งใจยอมรับอ่ะเออมันก็เป็นธรรมชาติไปล่งแสงมันเป็นมันจะรู้ตอนตอนต้นต้กับฟูไปฟูไปแต่เราก็ได้ใใจยอมรับอ่ะ ก็เป็นอย่างนี้แหละมันเป่างน้แต่เราก็ไม่ราก็เราก็แต่แต่รู้แต่เห็นมันว่าเป็นธรรมชาติไปแต่างเงี้ยเอเราก็เลยไม่ไปทุกข์กับมานไม่ไปเครียดกับมันไม่นปหงุดหงิกับมันแล้วเราไปดมไปกับมันได้เราไปกลายเป็นที่เขาเรียกว่าเลยกลายเป็นรู้ซื่อหรือสับแตรู้อะไรไม่ใช่รู้มีตัวซื่อๆชั้นเดียวนะก็คือทุกกระบวนการที่มันคุ้แต่งเนี่ยเรายอมรับมันว่ามันเป็นเงี้ยเขเรียกว่ารู้ซื่อหรือสับแตงรูเราไม่ไปทุกข์กับสิ่งที่มันคู้แต่งซ้อนมากี่ชั้น อพราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปไล่ดูทันมันหรอกอย่เงี้ยที่คุณต้องบอกเนเราเราเรายกตัวอย่างให้มันจะปุงเนี้ยเราไม่สามารถไปไล่ดูมันทันแต่เราสามารถรู้มาได้ว่าเพราะอะไรไอ้พวกมันจะปรุงจิตชั้นเนี่ยมันต้องมาเกิดดับในใจเรามันไม่ได้ไปเกิดดับที่ไหนแล้วมันจะปุงมีปุงขั้วจุ่มตัซึ่งเอาพุ่งตัวได้มันก็เกิดดับในใจเราเราก็ได้แต่รู้ว่าจะมันปรุงจอนจอนจอนจอนจอนเนี่ยแม้แต่ฟังหูตาบูดเนี่ยข้าไใมันก็ปรุงจอนตาตลอดเวลาเป็นอย่าง แต่เนี้ยเราห้ามมันไม่ใช่ว่าเขาจะมีอุปยามไปจับมันเราแต่ให้เห็นว่าในใจเราเนียมันเป็นคมซ้อนตลอดเวลาให้ผู้เห็นมันเลยการเป็นผู้เอ็นตัแต่ไอ้ผู้ปรุงซ้อนเนียมันเลยเป็นธรรมชาติฝปรงแต่งให้ที่ผู้ที่เห็นว่าเนี้ยใใจเรามันมีการปรุงซ้อนตลอดเวลาเลยฟังลูกตาพูดก็พูดตามคิดตามวิเคาะตามพูดตามวิเคาะตามเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเทียบองค์นั้นกับองค์นี้เทียบเคยฟังมาโอ้อย่างนี้เลยโอ้อออ้โอย่างเงี้ย ไอ้ตัวเนี้ยมันต้องทุกคนต้องมีไม่ใช่ว่ามันไม่มีแล้วมันมีทุกคนแล้วหรักมใหญ่ไม่ใช่เพราเป็นางๆไดแต่เห็นมันมีว่าเออมันเกิดเกิดจับจับเกิดเกิดจับเกิดเกิดับในใจเราเนี่ยตลอดชีวิตเราฟังอะไรเราเห็นอะไรเราก็้องฟุ้งแบบนี้แล้วเราก็เออคิอย่างี้ธรรมชาติมอย่างนี้มันก็เกิดเกิดจับเป็นฟุ้งตลอดเวลาเราก็ได้แต่รู้แต่เห็นว่าไอ้ฟิวฟุ้งในในใจเราเนี่ยเกิดเกิดเนี่ว่าแต่ยุงอะไรเห็นอะไรแตกินอะไรมันจะต้องเอามาฟุ้งไว้ในใจตลอด แต่มันก็ฟุ้งแล้วก็ดับไปโผล่แล้วก็ดับไปก็เลยแต่รู้แต่เห็นมันเ้าถ้าเอาเป็นอย่างเงี้ยแต่รู้แต่เห็นมันเนี่ยมันก็เลยเราไม่นไปปรุงแต่งแต่จริงที่เราเป็นกระทบแล้วเราปรุงในใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติไปปรุงแต่งที่จะต้องเห็นอะไรได้ยินอะไรได้กลิ่นอะไรรู้รสอะไรรู้สัมผัสอะไรหรือรู้อาการทางกายรู้อาการทางใจอะไรกันตางกินเป็นเวทนากายเวทนาใจหรือมันจำอะไรได้มันคิดอะไรได้เราไปรู้ความจํารู้เวทนารู้สัญยารู้สัมผัสมันก็ต้องคิดเอาคามคิดในใจ เอาที่ด้ใจแล้วจะเกิดกรรมต่างๆก็ได้แต่รู้ได้แต่ยอมรับได้แต่รู้อันนี่ได้แต่รู้เนี่ยมันไม่ได้ปงแต่งแต่ไอ้ธรรมชาติายปุงแต่งมันก็ต้องมันไปรู้อะไรมันก็ต้องมาุงแต่งมันเป็นวิญญาณฐานรู้อะไรส่งตอไปหน้าต่างจากสังขารมันก็เป็นธรรมชาติาปรุงแต่งนี่แนนที่จะอยู่ในเรื่องที่เราส่งไปให้สอบอิสราอะไรแล้วก็อยู่ในปลายเสียงแล้วันี่แนนคืออันเดียวนนี่เนี่ยเข้าใจนี่ก็คือเด็กกันต่ไม่ต้องกลับไปอ่านความก็ได้กหรือเตืนความ ตองเปิดันได้แต่นี้ก็เหมือนกันเน่ยาสมกันนีแต่อย่างเงี้ยเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยที่เราตอบโยกว่านั่งตอบโจกแล้วก็ตอบเรื่องนี้เนี่ย๋ยก็าบอกเขาก็ใจถูกแล้วเราก็สังเกตดูโยิดีกแล้วในปจจัยเราก็ตอไใหมเดี๋ยวแล้วตอโยกก็ฟังๆๆแล้วก็อธิบายกลับมาผิดแล้วเนี่ยเราก็เห็นนะเขาใจผิดอีกแล้วเนี่ยเขาเข้าใจถูกแล้วเอาบอกไม่ใช่ไม่ใช่ผิดคื้ใจผิด อะร้ยคาดเคื่อนนิดนิดหน่อยนนหน่อยแต่นิดนิดหน่อยพาหลงทาไกลเป็นได้มพอใจไมออเ็ก็ทำแบบศิษยาภิบไม่ต้หวังอะไรไม่ต้องหวังอะไรแล้วมันก็ได้แค่เห็นนี่ได้แต่เห็นได้แต่แค่เห็นได้แต่ได้เห็นที่เกิดในใจนะมันไม่ได้อะไรหรอกเออก็จะถ้าใจก็ฟังไดนฟังงี้แล้วทำไปไปดูไป เราไม่ไปได้อะไรเลยได้แต่ว่าเราปล่อยวางสิ่งที่ที่เหตุที่มันเกิดดับในใจเราแต่เราเนี่ไม่ไปได้ได้หลักคือได้แต่ปล่อยวางไม่มีไม่มีว่าไปได้แล้วไอที่จะได้อะไรเป็นทุกข์เท่งนั้นแหละแต่ถ้าเราเนี่ยได้แต่ปล่อยวางสิ่งที่เกิดดับในใจเรามันก็เลยไม่ทุกข์แล้วถึงเวลาเราตายไอไอลมนใจก็ดับไปไอไอตัวที่มันปุมแต่งในใจเรามันดับก่อนนไม่ใชกว่าลันใจดับก่อนัไอตัวที่เราเห็นว่ามันมันมาเกิดดับมาปุมแต่งในใจเราเนมันมันดับก่อนตอนเราจะตายหรือตอนเราจะหลับเนมันเกิดอะไรคล้ายกัน คือมันจะมีอาการในความรู้สึกึกคิดอารมณ์ตกแต่งที่มันมาพุ่ง้าในใจเรามันก็ค่อยเบเบอเบลอเหรอมันค่อยๆเลื่อนเลื่อนห่างออกไปอ่ะหายไปเรื่อยๆน้อน้อยน้อยนเราก็จับปุ๊ไปไอตอนจะตายก็แบบเดียวกันไอความรู้ึกนาที่มแต่งในใจเราเนี่ยมันก็ค่อยเราเห็นก็เห็นเรื่ๆว่าเรากเ็นมานาแล้ว แล้วก ality, ็เห so. ็นมัเ like, ก <all> ิดด like, <_ hoo> <_ horrible erving els> <type> ับเกิดดับเกิดดับเกิดดับแล้วมันก็หงไปเราก็รู้เลยว่ามันจะดับแล้วจะดับไปเพราะไอ้้ความรู้สึกที่เราลมใจมันดับซึ่งลงไอ้ลมใจเรตายแล้วลมใจดับที่ละไอ้ตัวความรู้สึกเราลดับไปก่อนร่างกายก็ตายหน้าเปืยไปแล้วก็ไอ้ส่วธรรมชาติที่เรูไปนี่ ตัวุงแตกกุงแตกเนี่ยมันเป็นธรรมชาติาาาตา ท, าที่เป็นกรงแตกมันเป็นวิสังขารเป็นอสังาตาธาตุเลยเป็นศุนยจตาท่ธาตุจรเาไม่มีอะไรเลยศุนย์จัตารูแลก่อนที่จะเจอความแตกต่างกัเข้าใจเข้าใจไ้ยล่ะเออเยอะไหมเข้าใจไหมคุณพี่นี่ไหนตอบอิสระแม่จนจดอย่างเอาเวลาพิมเยอะอย่างเดี๋ยวเราพูดกักอยู่นี่เอง ไมยากเลยเนี้อไเลยไม่ยากเหรอเรเราเข้าใจได้เลดลบได้เวลาขับลถมาตอนระหว่างรขับลถมาหนูก็นึกถึงกันเพราะว่าถ้าที่เทียบว่าเห็นรู้ตัวแต่างาคบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นรู้ยี่สิบเปอร์เซ็นหสิบปอร์เซ็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจจนมันเบรกลอะมันเบรกลม คิดว่ถ้าให้หนูบอกตัวเองหก็ว่าในหนึ่งวันนี่ก็ยังยังแบบรู้ตัวเองสักขึ้นวันนี่ก็ยังด้นี้กว่ามันถึงเวลา้มันไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเวลาเนี่ยมันเป็นคู่กันตลอดไอ้รู้กับไอ้ตัวผู้แต่กับไอ้ตัวที่ไม่ปูกแต่เนี่ยที่มันรู้ไอ้ตัวเราเนี่ยมันเป็นมันเหมือนกับคู่กันไปเลยมันเรียนหลังหน้าเหมือนเหมือนหน้ามือกับหลังมือเนี่ย เรไม่ใช่ว่ามีไปแยกคนละตอนกันว่าตอนนี้เราไม่รู้แล้วเรามารู้ตอนนี้เราไม่รู้แล้วมารู้อะไรมันอยู่ในธาตุโดแต่พอเราเนี่ยมีมีความเชี่ยวชาญมากขึ้นอเราเข้าใจแล้วเนี่ยความรู้เนี่ยมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติในตัวเราเนี่ยและความปุงแต่งมันมีอยู่แล้วในธรรมชาติตัวเราเนีมันมีอยู่คู่กันไม่ใช่ว่ามันพอเราปรุงแต่งแล้วพอเราก็ไปตัวรู้มันไม่มันหายไปไม่ใช่คือธรรมชาติในตัวเราเนี่ยมันมีธรรมชาติร่างกาย เป็นธรรมชาติที่นองแต่งเนี่ยครัจก็ไหลเจงออกตรงทินน้ําทิ้อาหารระบบความถายไหลเวียนเลือดลมเนี่ยไอระบบร่างกายเนีจยเป็นระบบองค์แต่งแล้วระบบจิตใจจะเป็นความรู้สึกความคิดอรมเป็นองค์แต่งเนี่ยความองแต่งในร่างกายเราบูร่างกายกับจิตใจเป็นธรรมชาติเป็นองแต่งและอีกมีอีกหนึ่งเดียวที่ที่เป็นธรรมชาติแต่องค์แต่งคือความรู้ในร่างกายจิตใจเนี่ยไอตัวเนี้ยไอไอตัวกสติไอตัวมันจะเป็นใหม่ใม่เนี มันจะต้องอาศัยสติมันช่วยมันมาที่จะรู้ว่าไม่มีสติมันก็หลงเพล่แต่แล้วมันมัก็หลงวาทำละขาดสติไม่รู้ตอนนี้พอเราเราจะรู้ก็ได้เราวผมกับที่นิราศบอกว่าเราต้องมีสติขึ้นมาเรามีสติกั้นมาคือเราขาดสติไปทั้งวันเลยเรารู้ตัวมีสติขึ้นมาอันเนี้ยให้ตัวรู้กับสติมันไม่มีตัวเยอะเพราะว่ามีสติมากมีสติมากมีสติมากมีสติมัก เมือไรไม่มีสติไม่รู้เมื่อไรมีสติถึงจะรู้อันนี้สติกับผู้รู้ยังไม่เป็ตัวแอตัน้ยสติเดียมันพัฒนามาถึงขันก็เป็นสติปัญญาในขั้นตีนรู้แจ้งคือมันมาพบไอ้ผู้รู้เนี่ยที่มันเป็นธรรมชาติที่ไม่เูงแต่งมันอยู่แล้วเป็นตัวแล้วร่างกายเราเป็นเปลงแต่งหรือร่างกายเปนใจเปล่งเป็นความรู้นที่เราเนเป็นธรรมชาติไปล่งแต่ง ธรรมชาติแต่ผู้แต่มีสองผูกตายกับผ้ตายกับสิ่งทีู่กแตกแต่ธรเมชาติที่ไม่ผูกแตกมันมีต่างกนเนี่ยมันก็มีอานหนึ่งที่มารู้ไอ้ไกายกับสิ่ที่ผู้แตกมันเลยมีอยู่ในการตลอดนี่นะพอเราไปพบไอ้ผู้รู้เนี่ยที่ไม่ผูกแตกเนี่ยที่เป็นอยู่ในตัวเราเนี่นรู้ก็มารู้ตัวเราตลอดเวลาแล้วก็ทำอะไรก็รู้ตลอดราไปแอบทาอะไรในที่รับที่แจ้งม่รู้หมดเลยแอบคิดอะไรในที่รับที่แจ้งม่รู้หมดเล ก็อยู่ตัวเราคนเดียวรู้ตัวเราตลอดเราเนี่ยไปแอบทำ อ, อะไรใที่รับที่แจ้งไปแอบพูดอะไรกับใครในที่รับที่แจ้งเราไปแอบคิดอะไรในที่รับที่แจ้งฮะผู้อื่นไม่รู้แต่เราเนี่ยรู้หมดเลยเพราะอะไรไอ้ผู้รู้อยู่ในตัวเราก็เดียรู้ตัวเราตลอดแล้วแ้่เราเนยมันมีสามตัวคือตัวที่รู้ตัวเราอีกตัวนึ่งแต่นี้ผู้ใหม่ๆเนี่ยมันต้องอาศัยสติ ที่เป็นขันห้าที่เป็นปรุงแต่งเนี่ยมาช่วยเตือนตัวเองไว้ให้ม like ันรู้ตัวเราเทุกเวลาเนี่ยไอ้ตัวสติเนี่ยมันจะไม่ใช่ผู้มูอิทรจริงมันโตมาช่วยช่วยเตือนนะว่าให้มันรู้ตัวเราใช่ไหอะไรก็รู้หลักการจริงใจดีกันตลอดเวลาพอเราขาดสติเนาก็ไปคิดอะไรเรื่อยเกิดทํางานทั้งวันอะไไปเลยลืมรู้ตัวเราไปเลยท้องรถก็ลืมรู้ตัวเราไปเลยได้แบบ นั้นไอ้สติเนี่ยมันถ bon ึงเป็นตัวปุุงแต่งการแต่มันต้องปรุงแต่งมาช่วยช่วยคือได้ให้มารู้มารู้ตัวเราก่อนเออให้มารู้ตัวเราก่อนจะเป็นสติปรุงแต่งเลยแต่ต่อไปต่อไปเนี่ยพอเรามีสติรู้ตัวเรามากขึ้นเราไม่หลงกราทางานอะไรก็รู้ตัวเรามากขึ้นเราไม่หลงพอเราไม่หลงแล้วเนี่ยเออเราเลยเห็นว่าไอ้ตัวปรุกแต่งเนี่ยไอ้กายเนื้อกายกายกายจิตที่เป็นปรุงแต่งเนี่ย มันมีความไม่ปรุงแต่งตัวไว้คือไอ้ตัวที่มารู้ตัวเราปรุงแต่งนี้เนี่ยตัวมันไม่ปรุงแต่อันเนี้ยมันเป็นไอสติการู้ในตัวเดียวกันเลยมันเป็นผู้รู้ที่ไม่ปรุงแต่งคือพอมันประพบกันแล้ววะนั่นแล้วใครว่ามารู้ไอตัวเนี้ยมันพูดตัวเนี้มันทําู่นํานี่ตัวเนี้ยมันกาลังคิดเออมนคนลตัวกันเนี่ยวะเนี่ยไอตัวเราเนี่ยที่กําลังพูดกําลังคิดกาลังทำนู่นทำนี่มันเป็นตัวเคลื่อนไหว ก็ใครม่นมารู้ตัวเราเคลื่อนไหวตลอดเลยอ๋อไอ้ตัวนี้มันไม่เคลื่อนไหวมันไม่ปูแต่งแต่มันมารู้ตัวเราที่ปูแต่งพอเราไปพบตัวเราจริงๆือตัวที่รู้ตัวเราเนี่ยคือแท้จริงคือจัราิเออมันก็เลยมารู้ตัวเราตลอนี้มาเจอตรงนัู้ตัวเราเไม่พูดสติมันปเดียวและมกายเป็นสติไอ้สติปงแต่มันหายไปเรือยแต่ไอ้ผู้รู้ที่เป็นธรรมชาติ เมของหลวูุ่งที่สองนะคะที่บอกว่าฝปว่าไว่าคดีที่นะคะปัจจุบันคณาคตอยู่กับไม่มีไม่เต็มว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดการประแต่งหยุดการแสวงหาหยุด ก, กิริยาจิตแล้วก็พระอริยเจ้ามีจิตไม่ส่งออกไม่กระเครื่อมไม่หวั่นไห ว, ไหว แล้วก็มีสติที่สมบูรณ์เป็นวิหารธมกับมีสติที่สมบถถูรณ์เป็นเครื่องคือสติตัวนี้ก็คือผู้รู้ชใช่รับก็คือทิ้งคำว่าสติปเยอนี้เดิที่จะปคอยเตือนให้รู้ตัวเราว่ารนี้เป็นยังไงตไเป็นสติคุแต่งแต่ต่หลังเนี่ยมาเป็นในเป็นรู้แลนี่ยกเรามันจะแต่งในรู้ว่าในตัวเวลาโดยไม่ได้ต้องตั้งใจรู้เรใช้สติต้องใช้สติที่ตั้งใจรู้ มัเป็นความรู้อัตโนมัติคือมันมันเหมือนกับว่าตัวเราเนี่ยมันมีอะไรภูมแใ่ในตัวเราเรารู้ตัวเองตลอดเวลาเลยต่เราไม่ได้ตั้งมันมันไม่ต้องไปตั้งใจรูเจตนาที่จะดูตัวเราแต่ถ้าเป็นสติเครื่องสนที่เป็นตัวภูมแใ่เนี่ยเราต้องเราลืมไปแล้วทำงานทั้งวันเฮ้่ได้ลืมลืมรู้ตัวเราแลยอาเราไม่ไย้มารู้ตัวเราทีนี้ต้องต้องตั้งใจที่มันตั้งใจเจตนาต้องใช้ติที่ทป็นภูแิใ แต่ว่าเราไปพบไอ้ตัวที่เป็นคนผู้รูรท้ที่ไม่มันไม่ต้องอาสัยความแต่งนะเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่ามัน่ะเป็นเหมือนกับเป็นใจที่ว่างเปล่าของจักรวาลและไอ้ความรู้สึกคามิดอารมณ์เนี่ยมันก็เกิดจากยูในใจที่ว่างเปล่าของจักรวาลก็เด้รู้ตลอดแล้ว่ามีอะไรมาเกิดขึนในาเกิดขึนเราไอ้ตัวผู้รู้เนี่ยเหมือนกลายเป็นเราที่แต่เป็นเราที่เป็นเป็นความเป็นความว่างเปล่าเป่นยเยๆองจักรวาล เออแต่ในไล่ผู้รู้เนี่ยมันมันมันเลยรู้กเลยว่าตัวมไม่เลแต่งแต่มันรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นได้มาให้ผู้รู้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นความไม่มีตัวตนไม่ีอะไรเลยเหมือนกับเป็นความว่าเป็น่งเดียวอจักรวาลที่มันมีขอบเขตไม่มีตัวไม่มีอะไรเลยคือมันเป็นความว่าแบบไศาลที่รู้ผูู้จะว่าใช็รู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้แล้วก็ถามน้อว่ารู้เป็นยังไงรู้คือมันว่าป่าว่างว่างาพศาลไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนไม่มีลูกหานไม่มีตัวไม่มี ตัวนี้มันเป็นมันมันอมันรู้อ่ะเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลมนเลยหมันเหมือนจะยังไงมันครอบโลกแบบมันรู้ครอบโลกกาตในใจเรานี่ยไม่คิดอะไรมันู้ทก่้ก็ไปตั้ใจกอย่อย่ับผู้เพราะว่าเป็นผู้รู้อันนี้แล้วมันเป็นหมาสถิติป่ปัญญาที่มันไม่ได้เป็นตัวตั้งสถิตปัญญาที่มันแตกคือมันเป็นตัวมันเลยที่ไม่เหลืออะไรนะใช่ใช่ แต่ก่อนจะถึงตรงนี้มันก็เป็นมหาสติมหาปัญญาวงคูไม่หลงแล้วแล้วตอนหลังเนี่ยมันไม่ต้องพูดแล้วมันเลยเป็นมหาสติมปัญญาดยมันไปรวมเป็นผู้รู้ซะนะที่ไม่ดิไม่ดิไม่มีหลงเลยคือตอนตั้งรู้ขึ้นมาใหม่ๆนั้นคือหมายความว่าเป็นการคุดใหม่ๆเป็นการึุดใหม่ๆแต่ตอนเป็นมหาสติปัญญาเนี่ยมันก็ยังไม่เป็นจริงจริพอเริ่มเป็นใหม่ๆนะเป็นมหาสติปัญญาที่ไม่หลงแล้วเนี่ยมันก็เป็นต่อเนื่องเนี่ย ในตอนนันเป็นนิพพานแล้วเนี่ยมันเป็นหมาตัณฑ์ปัญญาที่มันมันไม่เหลือแล้วรันขาดมันขาดตุ้มจนมันเห็นมันเห็นไปอยู่กระจที่ที่ไม่ปรุงแต่งมันเห็นความปุงแต่งแต่ตัวมันไม่ปรงแต่งแต่มันเห็นความปรงแต่งแต่ตัวมันไม่ปรงแต่งคืมันก็มองตลอดเวลาเออมันจะบอกว่ามองก็ไม่ได้เพราะว่ามันน่ะรู้อยู่ในตัวของมันเองมันเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรงแต่งมันคือเราเลยมันยือยู่ในตัวเรามันคือเราที่ไม่ปรุงแต่ง เขาไม่อยู่ในตัวเราหรือจะบอกตรงข้ามก็ได้ว่าเอาไม่อยู่ในตัวเราแต่ตัวเราเป็นคนตรงมุงแตกก็ได้หรือจะบอกว่าไอ้ตัวไม่ผู้งมุแต่งเป็นเราก็ได้แต่เราไปเห็นไใ้ตัวเราอีกตัวนึงที่ตูงมุแต่งเดี๋ยวว่าอย่างนี้ก็ได้สรุปแล้วเพมก็อยู่ในเราตรงมุมแตกเราตรงมุมแเป็นตัวแต่งแล้วเราก็เห็นไใ้ตัวที่ตรงมุแตกอยู่ในเราเนี่ยจะเรียกยังไงแต่ไรู้ไม่ต้องพูดแต่จะพูดยังไงไม่รู้ ตันนี้มันพ่ที่ท่าก็เรียกว่าใจใจธารมชาติที่ไม่ภูมิใงเพราะถึงธรรมชาติที่ไม่ภูมแล้วมันไม่พูดถึงสัาสติแล้มาธรนิยมอาปัญะมันพูดอยู่กับรู้กับรู้อยู่กับรู้คือมันเป็นแน่ไปแล้วมันที่ผ่านมันเขาเรียกว่าเป็นอาสถานะที่มันไม่ไม่กลับไกลนะคุณไม่ต้องตั้งใจที่จะมีสติเป็นมหาสติแล คือมันเป็นสมาวะที่มันเป็นธรรมที่ไม่กลับกายไม่เปลี่ยนแปลงคือมันลุกอรหารแล้วเป็นนิพพานแล้วไม่กลับไปอยู่แล้วไม่กลับไปกลับมาคูณต่อยคูณขัดสติอะไรให้ตายมันไม่ขาดหรอกครับมันก็ไม่ขาดเพภาสทามันไม่ขาดจากนิพพานแล้วคือมันเป็นนิพพานแล้วมต่อให้ไปปรุงให้ขัดสติมันก็ปรุกไม่ได้คือมันเป็นนิพพานไปแล้วมันไม่ขาดเลย ที่หลงทางกันนี้ได้ตรงเนี้ยถาว่าคือคือหอนูหอาจกรรวลเพระหนูได้รู้แลควว่าสมมติว่าเหมือนกับนิพพานชั่วขณะดต่หนจะถามตรงนี้หนงีกั้ว่าสมมติว่าแม่มนทาทีนี้แบบไม่ปุงเลยอย่างเงี้ยรู้อยูตลอดเวลาเป็นแบบอยู่ในภาวะเปรียบเหมือนนิพพานจะต่อมากกับมาหลงอีก ใจเราก็สามารถที่เจอไอ้ความนได้เรือจำถานได้ทรือยืดตาอธิบายก็เพรว่าส่วนว่าเราเห็นหน้าเห็นหน้าในกลุ่มแต่งได้ว่านี่เป็นในกลุ่มแต่งนี่เป็นนายในกลุ่มแต่งอย่างเนี้ยมันระจำหน้าได้เราก็จะรู้จำได้นะเออประหลัดจะเป็นได้คือนิพานทั่วขณะดไม่ได้ชั่วขาวหรอกมันก็ชั่วความยาวไปแต่จะชั่วขาวไม่ได้เป็นเพียงแค่ชั่วขณะ ผมจะเร็วมากเช่นเรานอนเต็มอิม่มแล้วแลเราไม่มเรื่ครื่องเครื่องประวใจอะไรและอยู่ๆเนี่ยเหมือนเมืกีที่เยอะราคุยกับเช้าเนี่ยอยู่ๆเนี่ยเราไม่ทันตั้งใจจะคิดอะไรขึ้นมาบองทีเราไปทันลืมตาเลยพอเรารู้สืกเเัวขึ้นมาเนี่ยเพราะเราก็นอนเต็ม อ, อิ่มแล้วเราก็ไม่มีเ่เรื่องประวัตใจอะไรมาก่อนนอนกไม่มีเรื่องอะรวใจแล้วไม่มีอะไรที่อาการที่ดำแล้วปรวใจ ยู่ยูเนี่ยเราไม่ทันใจะจะไม่ได้จะลืมตาเลยพรู้ทุกเอกกอืองมันคิดอะไรนมแล้วมันเป็นความคิดที่เราย่งไม่ได้จะตั้งใจคิดเลยมันคิดกอกแล้าเราไม่เห็นมันไอเนี่ยไอผู้เห็นตัวเนี้ยเป็นความไม่ปแปมันเปน็นเป็นผู้รู้ตามธรรมชาติาาที่เป็นธรรมชแล้วไอตัวที่มันยยู่ก็คิดขึ้นมาเลยโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจคิดไอเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของธรรมช า, าติไ่ปล่งแที่เรา น, นะ แต่มันจะเป็นแป๊บเดียวแล้วมันหายไปเลยคืออะไรหายไปแล้วเราก็ไปปรุแต่กัเพราะอะไรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยังไม่เคยเห็นนี้เราไปปรุงแต่งกันเลยแล้วมันจะเป็นแป๊บเดียวไม่เป็นไม่เป็นเป็น่วงยาวๆไม่เป็นเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราเพเห็นเป็นแป๊บเดียวเราอาจะปรุงแต่งทังทีเลยมันเป็นธรรมชาติของคนื่นเตยไม่เคยเห็นมันจะทำว่า่ นี่ก็เราแล้วภูิแตกกันเดียวแเว่าเห็นมันแค่เดียวแล้วเนี่ยดิบเลย่พี่ทไม่จีเป็นภุกแตกเองแล้เราไม่ภูมิแตกเลยพี่เราไม่ภูกิแตกวะจ้อยากออยากให้มันเนี่ยเราไม่ภงแตกเป็นด็กั้นเลยอยากให้เป็นเดงกแค่เลยสาวพอจะได้ภูมแตกตวัดแล้วก็ภูแตกตลอดยุไม่มีหรอกไอ้ยี่แต่พูเป็นที่ผ่านชั่วคราวยาง แเดียวกันเดียวแล้วเราก็หลุดอกจากแงแต่ถ้าเราเคยเห็นต้องท้าหนึ่งอย่าลืมตาี่พูดกับคนที่เคยเห็นอางนี้ต้้พูดง่ายเลยผมเข้าใจได้ผมเคย็เคยเห็นารู้เลยพูดกับคนไม่เคยเห็นเนี่ยพูดยากตองสมมติยากสมมติมันสมมติเกดอเก็ดยาก คืออยู่ๆเนี่ยเราไม่ทันปรุงแต่งอะไรแล้วแล้วกุเคยเห็นมันมันอยู่ๆมันปรุงแต่งขึ้นมาเลยเนี่ยแล้วคุณจะไม่ทันจะปรุงแต่งเลยไม่จะไม่ได้คิดอะไรเลยเนี่ยมันคิดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็เห็นมันที่เราอยได้คิดอะไรเลยวะเนี่ยถ้าอยู่คนนี้้ตัวนี้คิดขึมาก่อนแล้วอ๋อตัวนี้คิดขึ้มาก่อนมันเป็นปรุงแต่งโดยธรรมชาติแล้วเราก็เห็นตามหลังไปเรื่อยว่าเรียกวิญญารย์ตามหลังครับคำว่าเป็นธรรมชาติแต่ปรุงแต่งมันเกิดขึ้นแล้วก็ดำเนินไปไอ ยานเนี่ยมันก็เลยตามหลังเขาแบเ้เราอย่างพอรู้สึกตัวยังไม่ทันจะเริ่มตั้งใจจะคิดอะไรเลยมันก็แห่งคิดขึ้นมาบอกมันเฮ้ยแล้วเราก็ไอยานเนี่ยย า, าาา ย, ยานเป็นยานนาฏานเป็นยังเสรจิดยานเปนว่าความรู้ยานก็ตามหลางสบายว่าเป็นความที่ความรู้ปรากฏขึนาโดยที่เรายังไม่ทันปูุงแตงม่มันคิดปรุงแต่งขึ้นมาก่อนแล้วเราเลยเห็นตอนนั้นเรายังไม่ทไม่กันลืมตาเลย ยังไม่ได้ลือตาก็รู้ตัวมันจะติดนี่ถ้าเราเราก็เห็นกันเลยเราจะไม่ได้จะตั้งใจคิดอะไรเลยมันปูแต่งมันก่อเราแล้วเขาก็เห็นเราเลยเราเห็นว่าไอผู้เห็นไม่ปูแต่งนี่หว่าแต่ก็เห็นอะไรล่ะเขาจะเห็นในที่ปูแต่งนี่ไม่เห็นอะไรหรอกมันก็เห็นไใ้ที่ปูแต่งนี่เนี่ยแต่ตัวมันไม่ปูแต่งเพราะมันไม่ทำจะปูแต่งเลยแต่ไอจะปูแต่งก่อแล้วโอ้ออย่างนี้เองอย่างนี้เองแต่เดี๋ยวจะดีเดี๋ยว แล้วเราก็อยากได้เราอยากได้แต่บรจ้าที่มันมแต่ไม่มีใครเราที่ไม่อยากได้พอไปเห็นปุ๊บโง่เลยตอนนี้อยากได้อยากได้นี่จะแบบยังไงให้มันไม่มุนแต่อย่างีวะเนี้ยแปบเดียวมุนแต่งเลยตอนเนี้ยนะเราไม่เห็นอีกันทุกทานไม่เห็นดีกพราอาหมห า, ายความใหม่รู้ป่ะเครื่องไขเย็นครื่อขเย็นเดี๋ยวจะเกิดอีออกเออใช่ใช่แบางทีถ้าใจปรกะกอบตรกะกอบมาถึงเรา คิดเบาๆหรอกบางทีบางทีเรื่องเยอะๆมันเหมือนมันคิดเออไม่ว่าจะคิดเบคิดหนักอะไรมันก็ปุ่งแตกแต่เราบอกว่ามันยากเพราะอะไรรู้ไหเพราะเราได้อยู่ๆมันเองธรมชาติี่เราตื่นเราตื่เช้าเราเราตอนตื่นบีบแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไม่มีเรื่องอะไรค้างขาดใจม่มีเรื่องหงุดหใจแล้วอยู่ๆเนี่ยที่มันเป็นนั่งปุขึ้นมาเฉยๆมันปุ่งคิดกันมาแล้วไม่ทันจะแล้วไม่ทันจะคิดอะไรเลยตอนช้าปุ่คิดกันมอเลยอะ เราไม่ทันป so ุงอย่ที่เราไว้เราไปเห็นมาเลยไอ้ผู้เห็นไม่ปรุงนี้หว่าเนี่ยผู้รู้ผู้เห็นไม่ปรุงแต่มันู้เห็นอะไรเพราะเห็นธรรมชาติที่ฝ่ายปงแต่เนี่ยคิดแต่เช้าเลยแล้วเราก็ทันจะคิดเลยเอ้เราที่เราก็ทัจะคิดว่าเราเห็นไอ้้่คิดเนี่ไอ้ี่เนี่ยเป็นธรรมชาติฝ่ายไม่ปรงแต่งแต่ที่ยวีดีเดียวเนี่ยเราก็ไปยาดได้ไอ้ธรรมชาติฝายปรงแต่งตังเงี้ยไอ้จิตหนึ่้คล้ายๆงนี้ยมันมีกาลังกับเพื่อนแรงมากที่เป็นปรุแต่ อยากได้อยากเอาอยากได้อยากเอาอยากเป็นอยากได้อยากเอาอยากเป็นบางทีเนี่ยสองสามวันแล้วมันยังไม่เห็นไอ้ไอ้ตัวเนี้ยมันก็ฟูไปเป็นโรคไปเป็นอะไรด้วยแล้วไอ้ปรุงยาที่ัจกระเพื่อมเนี่ยมันก็ไม่มีกลับไ้ดินกลับไม่มีเป็นสมมว่าปกติที่เห็นที่ต้องรอจ้กระเพื่อมเนี่มันเลื่อนๆไอ้ความอยากได้อยากเอาเลือนไปผมไม่เห็นแล้วก็เลือนๆไปแล้วเราก็เลื่อนๆเนี่ยไอ้ธรรมชาติที่อยากได้อยากเอาไอ้ความไม่ปูุงแต่งที่เห็นเนเห็แล้วก็เราก็ไม่ไปปรุงแต่งอะไรไปทางโลกให้พูนวายใจ พรารู้ภงแตกเื่องอะไรทางโลกให้รูปายนใจแล้วตัวเราก็ดืงดึงไปแล้วไอ้เรื่องที่ใที่เห็นจิ่ภแตกไอ้ผู้รู้เป่นูมแตกแต่ไอ้ไม่เห็นได้จิตภแตกแต่ตัวผู้รู้เป็นูมแตกแต่เห็นิที่ภูิแตกไอ้ตัวนี้ร้องดึงดไปแล้วก็เราหาไม่เจอสักทีเราอยากได้เะเราเราก็ทิ้งรถดถทามาเดือนดนที่มัือนไเดอนไปเดือนว่าวเวลตนเดือนเป็นเดือนๆนะอยากทีเดียวน่อยากไม่เป็นเดือนเลย อยากเป็นเดือนไม่ว no, ่าจะเราจนเดือนเดินไปเดือนเรือนดินไปแล้วเราก็ปูแจกในดาวพะโลห์แล้วยูดูเนี่ยนอตื่นนอใหม่เวียอิ่แล้วหรือเราสบายใจอยู่เรานั่งเล่นนั่งเล่นจะไปสบายใจอยู่นั่งดี่อก้านั่งอะไรอย่งเียไปสายใจอยู่มิไม่ันจตั้งใจคิดอะไรมันคิดยมาก่อนเลยก็เห็นเลยเห็นอีกอย่างเงี้ยเห็นอีกเอาแล้ว อยากยาอยากากอยอยกี่จให้มันเป็นแบบนั้นเห็นอีกแลอยากอีกไอความที่เห็นอีกแลอยากอีกบ่อยมากคือความไอความอยากนี้เห็นถกาจะไม่บ่อยมันหายอยากวันนี้ที่นั่งนั่งเขาเห็นเพอเห็นแบบแวบเาที่ตกใจหายเปเลนี่เลเอออย่างนั้นแหละักเกียวไิ้นทีเดียวมันไม่ใช่ว่าเป็นขัวที่ผาชั่วขัวเท้าอะไรก็เถอะ ความเป็นแฟช่นก็ได้แลเวลาเราวัดอิปานชัวเ์กาวคือคือเป็นแฟชั่นเราวัดไปช่วร์กาวชัวขนาดแฟชังนเออไฟเลยตอนนี้สัยคนต้องอยางอยู่แล้วโอ้โหถึงเต้นขนาดเลยแล้วมารู Honestly, oui. course, ้เลยว่าเนี hmm. ่ยอิปานคือตรงนี้มันรู้ในตัวเองก็ต้องหาใครเลยมนรู้เลยว่าตอนอาน แต่เพราะที่มันรู้ว่าเนี่ยในใจของเราเนี่ยมันแวบขึ้นมาว่าภาพกันรู้โดยม่คิดเนี่ยเป็นปฏิภาณแต่ก็เราเนี่ยความรู้เราเนี่ยมันเร็วอาจจะเรารู้มาก่อ น, เ, อนเรา้วยเรื่อยเรื่อยประาอไยา้พอเป็นเหตเป็นรูปแวบอึเงยลเจ็บมับ น, นมก็รู้ด้วยบ่าส่วนนี้เนี่ยที่จะรู้ปฏิภาณกับสวนี้ไอไอไอรู้ขนาดที่เป็นกานเ แ้วอยู่ๆมันคิดเกิดมาก่อนแล้วเราก็รู้ตับหลังมาทันทีเลยเฮ้ยถ้าเรามาตกใจเฮ้ยไอผู้รู้ไม่ได้คิดที่ว่าเนี่ยตัวไอพู้คิดเราไม่ได้รู้เว้ยมันงละตัวกันแค่นี้เนี่ยเรารู้เลยว่าทิศฐานเนี่ยคือตัวนี้เว้ยแค่นั้นแต่เราปุงกันเด็ดเลยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เราปูเลยตอนนี้ครัมันต้องเป็นตอนนี้มันต้องเป็นตัวนี้ตอนนี้เราบประกายเป็นตัวผู้เบียวบทเลยตัวที่เป็นเจ้เดยเป็นตียมปุงเลยยิ่งจากมาก กกความยากตกงยีนห้ามใจตัวเองไม่ได้คือเราห้ามใจอี่ไม่ให้ยากไม่ได้ความยากอยู่ตรงนี้เนี่ยใช้ชิงผิดใช่ผิดไม่ไดตอบมันแล้วมันไปเลยหลงตาหลงหรืเป็นคนที่หรอแต่ไม่มีใครหรอกที่มันจะละที่อเขามันเห็นแล้วนะมัน ไม่เลิกหไม่เลิกละาเียเนเมัมันก็จะเห็นโทษเมันเริ่มเห็นโทษว่าใจแข็งแข็ง แ, แข็งแขงยาเข้าขไ ป, าไ ป, ไ ป, ไปที่ออย่พู้ดทีกเออไปเห็นโทษ แ, ล, แ, ทแล้วแต่ละเห็นโทษแเาเรียนรู้จะจะปะสบการณ์ที่ดแต่แค่เหมับว่าเราเห็นอะไรเราไปนั่งเก้านัน คนก่อนเราไปเล่นชายะเลเด็กๆกันไหมแล้วเอปูรมเนี่ยมันจะอยู่ในรูเนี่ยมันจะอยู่ดี่มันหลุวออกมาโผล่เราหนีหนีไปย่งเร็วเลยเราเด็กๆ้าเกิดว่าเราอยากไปไล่ไล่จับปูรมเนี่ยเเลที่ตามชายทะเลอ่ะนเราไปเฝ้าาแล้วเราอยเจ็เงตามด้วยแล้วเนี่ยเราไปทำปูเส้นนอะไรเรื่อยอ่ะไอ้ตัวหลังๆไม่ออกแล้วหรือมันออกมาตัวหนึ่งเราจับไม่ทันปูที่หนีไปแล้วเนี่ยโอ้โหเราตึนเส้นอยู่ที่มันอยู่ตรงปากลูกแมเนี่ย ไปร้อยไอ้ทีจะจะโบกมาไม่ได้แอบเราเพราะอะไเราโมตะึงเส้นววยโววมันเลยไม่เกียบมันทีมันก็เลยมันก็เลยไม่ออกมาเราอู่อเราจะเข้าใจสถ่ไอ้พวกเรามีเกียบแต่ในใจเราไม่เียบเพราะว่าเรามีตึงเส้นววยโววอยากการอากการอู้มันเลยตกใจมันเลยไม่ออกมามันมีคนฟ้าอยู่ที่ฝ่าประตูมันเลยไม่ออกมาก็รอเดาอยว่นอ่นระหน่อกมาหน่ำไปเนน่เรื่อยเข้าใจแล้ว ไอเราองอ่มันไปทาให้เสียเออไปทำให้เสียไม่ใช่กูุงลงมันทำให้เสียแต่เราเนี่ยทำให้เสียเรื่องเองเราต้องตบคนคนเขคนเขากเงียบนู่อยู่เงียบข้ออยู่เงียบๆมันจะดึก่ข้อดื่นอะไรก็ข้อมันกต้องเงียบๆงกบคนเดี๋ยวพอมันเงียบนึกสงัดเงียบมันก็ไปโผล่ขนเอทีนี้ก็จับได้จริงๆเ็นชัดนะอ๋อ อ๋อไอ้ผู้เห็นไม่ปรงแต่งไว้แต่ปรเห็นไอ้ผู้ลมเนี่ยทื่โผล่กมาคือฝ่าปรุงแต่งมันก็โผล่ปุ๊ดปุ๊บปุ๊บเราก็เลิกตื่นเต้นเพราะอะรเราลุกจากประสบการณ์เราวนะถ้าเราขยับตัวไปตื่เต้นปุ๊บบรรทายหมดเลยเรากระจยั้งตัวเดียวแล้วเราก็จะไม่เห็นมันอีกเราก็เลยเห็นนะเราจับประสบการณ์นะเราก็ฝั่งอยู่เงียบจริงๆแล้วเราก็ไม่ให้ใจเราเนี่ยเกิดความอยาก กระดุกยิบกระดุกกระิบอะไรเลยแล้วมันก็จะค่อยๆโผล่ไปเลยธรรมชาติคอยคุ้แต่งโวล่มเห็นแล้วพูดลงค่อยออกมาเล่นแสงจันทร์กระเทกชายหาดไปเลยเราก็นิ่งเงียบเป็นตอไม้มันก็นิ่งกว่าเราเป็นตอไม้มันเเราก็ข้าดูไปเหมือนกัเราเะเป็นตอไม้มันก็นิ่งกว่าเราเป็นตอไม้มันก็ได้ออกมาไหนเราก็ได้เห็นธรรมชาติของคุดวาม่กับธรรมชาติของเราที่เป็นรูดลนั่นเอง็ระับว่า ยี่สิบแปดปีนครับดังนั้นผู้ที่ข้างในมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลามันรลยกลายเป็นตัวเองเป็นตัวแต่งไม่เดียวัไม่ใช่ว่าเข้าใจผิดแล้วไปทำหลายคนบอกว่าาอยยางงั้นกลับไปทำไนั่นนไม่ต้องไปเป้าต้องเกต์เห็นอะไรหรอกมันคงจะกาลังของกำลัที่ไม่ดีเลื่ออะเลิกถึงเลิกรน้นเลื่อนนีแล้วกลับไปลดปฏิบัติธรรมอี หลายปีเพื่อจะกลับมาให้มาดูนั่งดููลมใหม่อันนี้เราเ็ะเด็นเรื่องเขาจะผิดกับเลเรื่องนีมัแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงอย่างก็ต้องเรียนรู้จากอดีตประสบการที่คุณไปดูน้้าวันปากไอไอปากุงว่าไอปูรมนี่นี่ยตูลไหนว่าเราต้งปตื่เต้แล้วทาให้ปูรมมันไม่ออกมาเออไอเราต้องเข้าใจประสบการณ์ตรงเนี่ยเพราะว่าพุทธศาสนานะทเจ้าก็บอกแล้ว่าพุทธศาสนานะทประสบการตรง ไม่ใช่กว่ามาอันนี้แล้วกลับมาจะได้มีกวามแบบเข้ม แ, แข็งขึ้นเราไม่ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดประสบการณ์เรียนรู้จากความผิดพลาดในปัจจุบันนั้นพุทธจาสนาคือการเรียนรู้ความผิดพลาดเรียนรู้ทุไอ้ทุกเนี่ยคืออะผิดพลาดแล้วมันทำให้พลาดพลา้งไปเป็นทุก อ่านน้ำเนี่ยมันคือบทเรียนเพื่เอเป็นประสบการณ์แล้วเราก็จะได้ประสบการณ์จากบทเรียนในปัจจุบนพพนะนันจากความผิดลาดและของทุกข์แล้วเราก็จะจำเราจะเข้าใจว่าเราจะอยู่กับมันได้อย่างไรเราจะเห็นมันได้อย่างไรเราจะรู้มันได้อย่างไรเราจะเรียนรู้มันได้อย่างไรเราจะเรียนรู้มันจากประสบการณ์ของความผิดพลาดเก่าๆเราผิดทําผิดทำผิดทำผิดเราเห็นเลยเราไปละจากอทเรียนอันเนี้ที่สุดเราก็จะประจุ แต่ทุครั้งท่นใูใช้เวลากับสิ่งนี้เะลยคุณตาหนต้องลดลงด้วยนะลคุณตาราะฉะนั้วต้องสังเกตมาไม่ใช่แล้วเราจะตีเวลาไปใช้สัญญานะเราไปใช้สัญญาแล้วก็เสียอายเพราะสัญญาเนี่ยมันโยมเนี่ยโยมเนี่ยแช่มาอธิบาพยายามจะให้เราตอบหลายครั้งเราพูดกันแเขาไไม่เข้าใจเเราตอบไปสนสั้นๆครับเุตับไ่าตนี้มกับไปอาตัวนี้มา แต่เขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็เดี๋ยวก็จะแชร์มาเราอีกแล้วก็เขาจะพูดยาวมาหรือเคยสัญญายาวแต่มันไม่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาแล้วก็พยายามอธิบายให้เราว่าเขาเนี่ยทั้งรู้ต้องเห็นแล้วเข้าใจแต่จริงๆเป็นเข้าใจด้วยสัญญาไม่ได้ว่าเป็นปัญญา ว, ว, ว, วันนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยกาลังตอบแต่ตอบไม่ทันทพราะเธิมมา ก, ก่อนลเลยเลค้างอยู่ในกลุ่มกิมมี่เราจะตอบไปเขา่ะ มันเป็นสัญญามันก็ได้เป็นปัญญาแต่แค่ก็รู้ว่าอันนี้มันเป็นสัญญาเขาจะเอาสัญญามี่หลายคนมากเลยที่เอาสัญญามาเขาบอกว่าเขารู้น <IS> <un> ั่นนี่นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเยอะมากแล้วบางทีมันกตะวันกเาเกียันเยอะมากแต่มันเป็นคําอธิบายรู้นั้นรู้นี่รู้นั้นรู้นี่แต่เราเราเราดูเรารู้เลยว่าคนไหนเป็นปัญญาครับทุกท่านคือปัญญาเนี่ยเขาดู้ก็เห็นแล้วเขาถามว่าไอ้เขาลูกอย่างนี้เห็นอย่างนี้ถูกไม่ถูก เขารู้ก็เห็นอย่างนี be be ้แลถูกหรือผิดเขารู้ไมเห็นอย่างี้มันผิดหรือถูกพอเราบอกไปเขาก็ไปรู้ไปเห็นอีกนั่พอที่อาจารย์บอกมาล้วก็มาุู้เห็นงเขาใจขนาดที่มันเป็นผู้ลบอย่งเนี้ยมันนั่งเฝ้าผู้มนจับได้ไม่ได้บ้างมันเป็นที่ที่เขาจะรับกลับมาางทีก็เป็นอย่างนี้เอเงียบๆอยู่อย่างนี้เราก็จะบอกเขาไปไอเนี้ยมันเป็นปัญญาแต่มันปัญญาจะจะทำผิดจำลองกไอเนี้ยเร็วแต่ที่อธาจารย์อยู่นั้นน่ะมีจับผู้ลบอย่างนั้นแล้วตัวเองก็ยัง ม, ม cake, ันตัดยาลดตวนี <ah> ่เนี่ยหลายคนมากเลยเราเนี่ยบางทก็วานี่อีเกเ็จลเร็จเนี่เนี่ยเดี๋ยวเดีเราไ่ปอยจะได้เสร็จเราจะทำยังไงเขารู้ว่าไอที่เขารู้เนี่ยเป็นสัญญามันเป็นปัญญามันเป็นปัญญาเราจะให้เาตกาเป็นัญญาเราไได้รู้แจ้งเขาจะไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นปัญญาคืออะกับปัญญาต่างกั จำได้ว่าจริงๆหนูได้จากคนนี้แล้วชั้นหนึ่งที่เขาเคยเมื่อไหลายเดือนมาแล้วสักสักห้าหกสักสีห้าเดือนมาแล้วมั้งใช่ตอนนังนเขาตอบเขาถามเรื่องเขาตอบเรื่องที่แบบคนเหอนออลืออ้อมครั้งแรกที่งหนูมองข้าพนี้ไม่มอตอบแล้วหนูก็เดินต่อมาได้ทุกคนนี้พูดถึงหลายอ้อมเออตาถาเรื่อน มีงนฟากนน้ำมึนตาแล้วนีู้้ถเรื่องว่าเขาเหมือนรู้สึกว่าเขาอยู่ห้องแล้วหลาเขาบอกว่าให้สังเกตตัวนี้ตัวหลังต้องจะบบอกอะไร่ะแล้ววันนี้แบบเขาที่เขาเอามาเมื่อเช้าหนูก็ยังแล้วก็วันนี้รู้สึว่าเมื่อวานเมื่อหรือว่าวันก่อนก็ถามมาที่หนูก็ยัอ ขเขาก็ยังหลังกล้องอยู่แล้วก็หนุเอาจากหลังกล้องเขิ <c oughs> แต่เขาก็ยังเป็นหลักกล้องอยู่ตัวหลักกล้องอยู่ <c oughs> คนอื่นเขาเอาเขาไปต่อได้เคขาเขายังเป็นตัวหลักกล้องมเป็นบอกคนอื่นไปเรืยเลยเข้าใจไหมเนี่ยตัวหลังกล้องคือเขาเหมือนอะไรไอ้พวกถ่ายทำวิีโออ่ะถ่ายทำวิดีโอเรื่องอาการต่งจิตหรือเรื่องถ่ายทำภูริรมหรายเรื่องสาระดีต่างโลกเขาเป็นคนยืนอยู่หลังกล้องถ่าย แล้วเขจะเขาเขจะใส่อะไรได้เขาก็จะเอามาอธิบายให้ฟังเราบอกว่าให้ดูคนอย่างกล้องไอ้คนที่อยู่หลังกล้องมันคิดอะไรมันพูดอะไรเราให้ดูไอ้คนอยู่หลังกล้องเม่ใช่ว่าเราให้ไปดูหน้าก็เขาก็ยังไม่เข้าใจแต่เขาเนี่ยเขาไม่รู้อะไรเด็ดอีกผมก็เล่าว่าให้ดูคนหลังกล้องแต่เนื่องจากเทำให้กังวลใจพอเขาก็มาดูอาการอาการอาการอาการที่มันเกิดขึ้น แต่เวลาเขาไปรู้อาการรู้สภาพว่าที่จะเป็นทุ่มตัญญิกิ้งว่าอะไรก็ตามเน่ยไอ้สอภาว่าติ๊งว่ามันก็เดินกลับไปไอ้เรื่องที่เขาตั้งกลองวีดีโอไปถ่แต่เขากลับกลับออว่าอยู่หลังกล้องวีดีโอไปอีกว่าที่งานนี่งานเขส่ายติ๊ว่าได้แล้วนีดียไม่ติ๊งนิ๊งเขาจะเป็นยังไงติ๊งติ๊ี่มันติ๊งิงมากเลยแต่เขาูดอย่างเงี้ยผมก็เลยพูดว่านี่มันติ๊งดีมากเลยมันติ๊งดีมากแต่อาการติ๊งไม่พูดเลยแต่เขาอยู่หลังกล้องเนี่ยเขาเต้นยิ่ง ไม่เใจอยู่แล้วเน่เราเนี่ยตรงนี้อาิตายอยู่นี่ยเราว่าจะวาจะยกตัวอย่างเขาไม่เข้าใจสักทีว่าให้เห็นได้คนที่อยู่ข้างหลังเรื่อยไปคงที่ไปรู้อ่ะที่ไปเห็นได้คนที่ายทำเนี่ยมันเส้นเยิงเยงว่ามันเห็นอะไรเนี่ยจะไปเห็นได้ตัวที่เปนอากาที่ถูกรู้ให้เห็นได้ตัวผู้ไปรู้เนี่ยตัวที่อยู่หลังก้องเนี่ยที่ไปอยู่มันมันรู้เนี่ยมันพูดว่าอะไรมันเต้นอ่าเมันเต้นเต้นเต้นเต้นเต้นเ้น ใช่ดูตัวเราเรื่อยไปอย่าไปดูเงี้ยคิดูรู้ให้ดูตัวเราอย่าพูดรู้เรื่อยไปอย่างเงี้ยเราม่ใ่หนึ่งคนจากตัวเราไอตัวรู้ก็คืตัวเราเองนะไอตัวรู้ใช่ใเมื่อกี้เราพูดไปโยนก็แบบียนนี้แหะเรื่องเดียวกันเร่อเดียวกันแล้วเราจะอธิบายอย่างนรไม่รู้เราคงจะอธิบายอยู่ที่อีกนานใหญ่บ้ในใหญ่หลายคนเร่องไหมเออถ้าช่ยดูบ้านเข้าใจมาถึงตอนนี้าก็ังไม่เข้าอย่าง ใช่เพเราเอาตัวเราไปไปเป็ี่ยนพอเราตัวเราไปเป็ี่นปุบไปเลยเอาตัวเราไปเป็นักฐเท่เดียวไปใช่ที่ทีเดียวเราบอกแล้วแม้แต่ว่าที่เราเห็นว่าเราเนี่ยไม่ฐันจัด่นจ้ามาไม่ได้จะคิดอะไรเลยรู้ว่าเรานั่งอยู่บนเนี่ยนั่งเล่นวดเถอนนนั่งนั่งอยู่ในป่าเนี่ยนั่นอยู่ในเนี่ยเราไม่ได้ไปขอี่ยอยู่กับแล้วนั่ดเอ้าวอยู่มัน เราไมได้ั้งใจิอะไรแล้วมันคิดมันเองเนี่ยฮอันนี้ที่เขาเราใจเอานะวาอันนี้ที่เ้าเรียกวิาญาณตามหลังครับคือธรมันปรากฏก่อนไอไอไอความรู้กวิธเราจดที่มันธรราตไปผูกแต่งคือมที่จันมาไปผูกแต่งมันปรากฏก่อนอายาเนี่ยมันก็ตามหลังนะคืออายานจะไปรู้อะไรนั่นก็รู้ไอสิ่งที่ผูแต่งีล้ว่าไอที่ผกแต่เกิดขึ้นไอ้ยานไม่ได้รู้ว่าตัวกแต่เกิดเพื่แต่ที่มารู้เนี่ย แต่าา ย, ปเปย า, เาเนี่ยมันกลายเป็นเป็นังไซะบอกเราจะ่างนึ่มันกลายไปเป็ น, นพระเลยเป็นผู้รู้ที่ไม่ปรุงแต่งไม่ได้เป็นญาณที่บอว่าเป็นความรู้เห้นมาเลยเห็นว่าโกมันเนี่ยยังไม่ทันจะคิดปรุงแต่งอะไรเลยก็ อ, อยู่เลยตอนทำไมคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคิดขึ้นมาแล้วนีคนควยังไม่ทันจะคิดจะไปตั้งใจจะไปคิดอะไรเลยเนี่ยแล้วอยู่เลยมื่กี้คิดมาแล้วเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยดูเรื่องต้น รู้้ไม่นไม่แต่แต่ว่ามันมันก็คือหลายไปเดีอวกันเดียวกันทั้งทั้งรู้ทั้งคิดทั้งรู้ทั้งทำ ง, งานทั้งรูเงยมันรู้แบบเันนี้มันรู้แบบว่าเราอยู่กับรถไฟเข้าใจไหมคือเราก็ไปกับรถไฟอ่ะแล้วเราก็รู้รถไฟพี่เราเนีขึ้นรถไฟความเร็วสูงเราก็รู้อะไรรถไฟอย่างเงี่แต่แท้จริงอ่ะเราก็อยู่กับรถไฟเลย เราทำงานไปเราก็รู้เร่เราคิดอะไรเราทำงานอะไรเราพูดอะไรเราก็ไปอย่างเงี้ยเพาอะไรคือมันเริ่มต้นตั้งแต่เราคิดแล้วอันนั้นมันตั้งแต่เช้าแล้วเราคิดพูดคำนี้คำนี้ามนี้แเราต้รู้ตัวเลคือมันเริ่มต้นที่ิดมแล้วคือเริ่มต้นคือรไฟมแต่เช้าเลยเข้าใจไมคือเราเริ่มต้นคือไฟแต่เช้าเลยพอเราแปงฟันเสร็จแปงฟันเสร็จกินข้าวกินข้าวตอเริ่มคิดอะวนี้เรางทาอะไรต้อ็ไปไหนเปหาใค ไปโทรศัพท์สายไทยก่อนต้องฟังอะไรก่อนอันเนี้ยมันเราเริ่มต้นขอเครือไปแล้วนะคือถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยเอาตัวเราไปคิดคือตื่นเวลาบ้างตั้ต้นเริ่มต้นจะคิดอะไรเยคือเราเริ่มต้นคือไฟแล้วคือกระบวนรถไฟที่มันเป็นความที่ต่อไปแล้วมันจะเป็นกระบวนรถไฟที่มีความคิดเป็นตู้ๆๆๆๆๆไปต่อกันไปเลยอนเนี้ยตอนนี้เราก็จะรู้หมดเลยว่าเรากินอะไรเราพูดอะไรเราคิดอะไรแต่เรารู้โดยกระบวนรถไฟเพราะว่าเราเริ่มต้น เราเต้องแต่งเช้าเราเราเริ่มต้นเข้าสู่บนลูกไฟแต่งเช้าพอใจไหมเนี่ยแล้วเราก็จะรู้หมดเลยเพราะว่าอะไรเราอยู่บนลูกไฟอ่ะเราจะรู้หมดเลยเรากินอะไรเราพูดอะไรเราทําอะไรแต่เราทําบนลูกไฟไไคือไอ้ลูกไฟเราขึ้นเท่าไหร่เราลงขึ้นแต่เราเริ่มตึ่นเช้ามันเราเริ่มต้นที่จะไม่ทำอะไรพอเราเริ่มต้นไปตั้งใจนิว่าเราจะกินอะไรทําอะไรวันนี้จะไปหาอะไรก่อนอันนั้นเราขึ้นรถไฟละ แต่ที singer, beach, jar, er, Alumni, ่เราพูดเนี่ยที่เราไม่ได้ขึ้นรถไฟอ่ะที่เราเห็นรถไฟมุกิแต่เราไม่ได้ขึ้นรถไฟคืออยู่ๆเนี่ยเราตื่นมาตอนเช้าหรือเรานั่งนั่งอยู่ที่เฉยๆเนี่ยเราไม่ทันจะคิดไปทําอะไรอ่ะก็อยู่ๆก็คิดอะไรเขก็อยู่ในความคิดเราไม่เห็นความคิดมันคิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ทันจะมีเจตนาหรือจงใจหรือตั้งใจหรือพยายามจะคิดอะไรเลยที่อยู่บนอคิดไปเฉยๆอ่ะเราเห็นแว๊บหรือแรกบ แวแรกที่คิด้กิดมาเนี่ยเราจะเห็นสทีเลยว่าเนถ้ารามีปัญญาสทีปัญญาเร็วมากเราจะเห็นว่าอ้าวที่เราไม่ตัไม่ั้ตั้งใจจะคิดอะไรเล ย, เยน่าจะคิดเกมาก่อนแล้วเวย้ยอาไอ้ี่นี่วเนี่ยที่เป็นตัวปรุงแตง่งแต่ไอ้ผู้รู้ผู้เห็นเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ปรุงแตง่งมุกมันจะไม่อาจจตั้งใจปุงแต่งอะไรเลยแต่มันเห็นไอ้นี่ปุงแต่มาก่อนแล้วอั น, นี่ อย่างนี้เราเไม่ได้ขึ้นรถไฟแต่เราเห็นรถไฟมัน base, ZY, well. วิ่งบนรถไฟคานวิ่งผ่านหน้าเราไปแต่เราไม่ได้ขึ้นรถไฟเขจาในะไปตรงนี้มันจะระคีตอ่อนมากเลยคนปฏิบัติเนี่คือไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยรู้ว่าเราก็ทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรโดยที่บนรถไฟกับเราเนี่ยรู้เห็นว่าคนที่อยู่บนรถไฟโดยกัางรถไฟเนี่ยมันความคิดความนึความ้องการอารมณ์ต่างเ่ เราแล่นผ่านหน้ารถไฟแต่เราไม่รู้แล้วยืนๆเรายืนๆเหมือนกับเรายืนอยู่ดีผานรถไฟอ่ะยืนอยู่รถไฟพี่ก็ึดอ้าวรถไฟที่ผ่านหน้าเราไป้วยความเร็วูกไปแล้วแต่เราไม่ทันขึ้นรถไฟเราไม่ได้เเห็นรถไฟที่ผ่านหน้าเราเราเด้เห็นว่าให้รถไฟที่วิ่งไปอ่ะกับเราที่เห็นรถไฟเนี่ยเป็นคนลตัวกันเราว่าอะไร ไอ้ไอ้ตัวที่เคื่อนที่กับไอ้ตัวเราไม่เพื่อนที่คือตัวเราตัวนี่หมเนี่ยเราไม่ได้เลื่อนที่แต่รถไฟเป็นเพือคื่อนที่แต่ถ้าเราเนี่ยเริ่มต้นคิดแต่เช้าเริ่มต้นก็ตื่นเช้าคนที่ชอบางแผลก่อนเนี่ยต้องแต่เช้าอยู่พรท่านจะดูมตาเราหรางแผลเนี่ชอบฟางแผลชีวิตก่อนเนี่ยไอ้นี่เห็นยากเพราะอะพราะตื่เช้ามันมันเกันเลย ที่พี่เขาขึ้นรพี่ไปทงานที่อะไรยอ้บอรเนี่ยยากมากเลยเพราะว่ามันมันขึ้นรถไฟแต่เช้าเลยพอตื่นเช้ามาขึ้นรถไฟแล้วเลยขึ้นรถไฟแล้วไปขึ้นแต่จ้าวทเนี้ยมันมันัรู้ตั้ิตตั้งพูดไปตด้งทำอะไรไปเหมือนตังวันรู้แต่วันจริงเาอย่รถไฟเข้าใจไ้มเนี่ยมันเนี่ยต่างกับเนเียกวาแต่แต่มันใกล้เคียงกันมากเออลงยากเมื่ีตอไปอาทิตย์อาทิตย์เ่ย แล้วเราโอ้โหจะปอย่างนี้ว่าเราต้ไปจูดพุ่อะไรเงี้่าเราจะพยยามทำให้เราหายพุ ario, ่เราจะพุ maths, ่งนักเขา่หยกเราการไปอยู่ลมไฟพึ่งไปันใหม่พวกพวกเขาไม่กครับที่ลองโมดีตอนเราจะขึ้นไฟหนักเขาไม่ยิงพุ่ยิงไปลงเลยอนี้ตอนจรต้องมารอนประสกจริงผมจำว่าไฟจิกันไฟมยุจริงล้ใหม่เย็นๆอย่างเดแต่ถ้าเราอยู่บนรถไฟแล้วเรา้ับัวอเราคเรยัง้ยเราไม่ได้คิดมันมาเลยตั้งแต่เช้า เ, เราตอนนี้เราไปเราไปพ่อโหอยู่บนรถไฟหลงก็หลงไม่ได้แล้วมันผิดตายแล้วหลายคนก็จเจช่นเงี้ยทำไมจะไม่รู้อะไรทําไมจะไม่รู้คิดอะไรทําไมจะไม่รู้เล่าอยู่นั่นแหละเราก็บอกว่าไม่รู้ยังไงกราลับคิดอยู่แล้วหลวงคิดยังไงแต่หลวงคิดยังไงก็าอาจารย์เนี่ยที่เล่าให้อาจารย์ฟังเนี่ยมันรู้ตัวตลอดนะว่าเล่าอะไรใจฟังก็บอกโยม เ, เกือบเปนานแล้วโยมเรื่องทะเลาะ ก, กันกับสามีแล้วเลิกกันเนี่ย มันนานแล้วมันหลงมันีมันหลงยู่มันมันเป็นอดีดูกับปัญญาบาได้รู้เห็นจริงๆเนี่ยอี่มันเกิดขึ้นในใจเราเราบอกว่าให้ตัวเองมันคิดอะไรก็ให้รู้ทำไมจะไม่รู้เนี่ยแ้คิดต้องพูดนายจากยฟัไรู้ตัวอยู่เนี่ยพวกกาลังเล่าเรื่องสาวปัวจิงให้วงเนี่เราบอกโวโงมันหลงแกก็ไม่เชื่อเลาไว้เราฟัง่นั่นเราพานี้ก็ไม่โราั้เราตับไปบ้านละเราตัดตัดมาัเร่รับโทรศัพท์้ว่าใครเขาไลน์เก่าอีก แำไมอโอ้เมื่อกี้เล่า้ไม่หมดอาจารย์ยังมียังมีต่ออีกไหนจะขอเล่าอีต่ออีกหน่อยโมอและโมอและมันหลงยเลยเขาเข้าใจว่าทําไมจะไม่รู้พูดอะไรก็รู้คิดอะไรก็รู้ทําอะไรก็รู้แต่มันรู้อยู่บนรถไฟเนี่ยมันเป็นได้คิตเสด็จเราก็ไปดูคิตเสด็จอะไรสมรรสภาพของไอสตาร์ที่เขาเอามาอธิบาย มัอนอธิบายใกล้เคียงกับการสุบพิสูจนมากเลยนะไอ้ทฤษดีสมรรถภาพของไอ้จะตายอย่างไรเออเขาเนี่ยไปขึ้นบนรถไฟความเร็วสูงก็อธิบายเนี่ยทฤษดีสมรรถาภาพว่าถ้าเขาขึ้นรถไฟความเร็วสูงเนะี่ยเขากลับจะมองเห็นสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมนะันเคลื่อนไหวไปจากธรรมชาติไปคือกลายเป็นว่าเขาเนี่ยไม่เคลื่อนไหวเพราะก็ไร เขาอยู่บนรไฟที่มันเพื่อมีความเร็วสูงแต่เขาเห็นต้นไม้เนี่ยมันเคลื่อนไหวเออองมาดูเออที่มันเหือคล้ายคผู้ผู้ผิดหมดเว้ยถ้ามันหลงขึ้นรถกลงความคิดเ้วมันไม่เรื่อยลไอ้ที่มันรู้มันรผิดหมดแหละมันรู้ผจะกรชาติความจริงหมดถ้ามันขึ้นรถตกความคิดแล้วเนี่ยเพราะไอ้ความคิดมันเป็นรถไฟที่มีความเร็วสูงที่สุดในโลกความคิดเนี่ยเพราะมันจะคิดต่อต่ต่อตต่อมันจะเป็นไอ้รถไฟที่มีความเร็วสูงสุดในโลก ถ้ามันลงก็ดดขึ้นรถไปแต่เช้านะมันจะเห็นทุกอย่างในธรรมชาติทั้งหดเพราะะเห็นต้นไม้ที่ไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวได้เห็นตึกราบ้าช่อเคลื่อนไหววิววิววิววิววนววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิววิวว่ววิววิววิววไววิววิววิววิวว่ววิววเววิววิววิาวิววิววิววิววเววิววิววิเราววิววิววิว เราจะมองเห็นทุกอย่างได้เราจะมองเห็นทุกอย่างที่มันเป็นธรรมชาติที่แท้จริงได้เราต้ไม่เคลื่อนไหวเราที่จะมองเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นธรรมชาติที่มันเป็นความจริดเห็นเคลื่อนไหวตามความคิดจริงได้คือเรายังต้องไม่ทันขึ้นรถไฟเลยรถไฟเพิ่งผ่านมาพุทธเอาเราก็ทันขึ้นเลยรถไฟมาทุกไปแล้วเราเลยเห็นรถไฟเนี่ยโอ้มันเร็วมากเลยเองกับเวอรเนี่ยเวอรเราไม่อาจจะตั้งใจขึ้นเลยมันมาทุกไปแล้วอย่างเงี้ยเราได้เห็นว่าโอ้เห็นรถไฟเนี่มันเร็วมากเลยเย แต่พอเราขึ้นไปอยู่บนรถไฟอ่ะเรากลับมองเห็นตัวเราไม่เคลื่อนไหวเนี่ยแต่เรามองเห็นอีกที่ไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเนี่ยนิสดีแต่พระตะภาพเนี่ยเราข้าไปดูโอ้โหอาจจะตายเนี่ยก็มันมีชีวิตอยู่เจอพระเจ้าเลยดือเถอดเจอใครทั้งหมดฟังเลยเจอผู้ี่วใจทำจริงทำแต่รู้ได้นะเนว่า ถ้ารนที่ 3, อามเขาเล่มสุดท้าย่าท า, <c oughs> านีตายก่อนแล้วทางนี้ิดไ่ด้นัากเลยนะแต่ว่าเราว่าที่เขาหนูอา่านหนูเพิ่งอ่านมาแล้วเขาบอกว่าเหมือนแต่ว่าเขาได้อ่านพุทธาสนาด้่เขายังไม่ได้มีเวลาปฏิบัติเขาเขาเรียกว่าเป็นศาสนาแหงการทมาเขาเรียก เพราะว่าเขานี่เนี่ยเราดูแนละ้วสไตล์เนี่ยเขาความรู้เขาเนี่ยก็ไดกเป็นความรู้ที่เกิดมาจากการห่าง่ามาแล้วก็วิเคราะห์จากตัวหนสือแต่ความรู้ของเขาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นาเนี่ยมันรู้จากสิดที่เขาเจัดจอจัจ่อจัจ่อไปไหนไแล้วเหมืกับคุณที่หลับไปแลป้วปึงืนขึ้นมามันเข้ามาในภาวะของภาวา คือเหมือนคนเข้าชาตของวัตถุนานีา่นะคือมันมันเอาไว้ตัวที่มันเนี่ยไอ้นาเนี่ยที่เขาจนจนจรดจอเนี่ยเป็นตัวอารมณ์กรรมานเป็นตัวลงกรรมฐานแล้วก็ก็จจอกันมาจดจอกมาทั้งวันทั้งคืนทั้งวันนี่คือมันเลยกลายเป็นตัวกรรมฐานด้วยเลยแต่มันเป็นลักสารของกัจินทร์แล้วก็แต่เวลาตอนที่เร ยไม่หลับเนี่ยเขาก็เลยกินเป็นปุงแต่งมันก็เลยรวมไม่ได้แต่มันจะไปเกิดตอนเขาหลับเพราะเหลับปุ๊บิเข้าไปอกนไปปนูนแต่งเรื่องพื้นที่อันนี้ใช้เดือนนมันจะจอดมันิดจออยู่ในจิตก็เลยปเป็นกระถิต่อแล้วไปปูเรื่องราวต่อเขาตนเขาเรียกื่นมาทุกข้มาตอนไหนก็ต้องมีบทเนจิอีกอเอซีดแวร์ยที่เป็นสูตรยิ่งใหญ่เนี่ยเขาก็รีบรีบเาเขียนเขาจะเกิดขึ้นตอนที่เ้านอนหลับ เราก็จะจระตุนตื่นเเรีบมาเขียนเนียพวกนี้แล้วอันนี้เขาจะไปทิศตะวัติใหญ่ด้วยกันแล้วก็จะรับเข้ามาเอาไอทิ่ตะดีนตกเขา็เขียนรีบมาแล้วเขาก็รีบจดจ่อวานี่มันรูปวแล้วครับจดจ่อมาปั่นข้อมูลผมเนี่เดี๋ยวเารู้แจ้งว่าสุ่นี้ก็ไอ้นี้เกิดนี้ไอ้นี้เกิดานมันรู้จักในจิตอันตรายเนี่ยมันจะดนจิตแต่ความรู้ของเขาเดีเขาไปอิ่มรู้ก็าไปอีกมรู้เขะไปอิกมแต่ปนการรู้รู้แตกแขนงออกไ ไม่ใช่รู้รวมถึงที่เพื่อความพ้ทุกข์แต่การรู้เพื่อลูกเพื่อจักรวาลรู้ทำยังไงก็ไม่มีความกว่ารู้วิสิทธิ์ใช่รู้ก็ไปจิตเดินแท้ที่แบบความไม่คงแตกที่เราไม่ขึ้นรถไฟแต่ถ้าเราเนี่ยรู้ไปอย่างนั้นเนี่ยคือเรารู้บนรถไฟคือเราขึ้นบนรถไฟเลยเรารู้พั่วเลยก็แหละเราขึ้นรถไฟความเร็วรถไฟ เพราะว่า like, ่ก so like, ็จ he ัจ่อจ่อจ่อจ่อ่แแต่ร่างกายเขาหลับแต่สิ่งนี้มันไม่หลับมันบจ่ออยู่ต่อความคิดเรื่องที่เขาคิดไอ้เรื่องที่เขาคิดนีคือตัวบนรถไฟแล้วเขาเนี่ยเอยู่บนตัวบนรถไฟแต่เขาหลับไปโดยที่เขาเนี่ยร่ากายเขาหลับไปโดยที่เขาอยู่บนรถไฟคือไอ้ควาคิดเรื่องอะไรเนี่ยเขาไยึดสายคือเขาตั้งแต่เด็กแล้วาคิดอะไรนีก็จะจีบอยู่เรื่องเดียวจัจ่อกันอีกประมาณแล้วก็ไอ้ที่เขาคิดจัจ่อติดกันนั่นคือรถฟความเร็วสู่เพราะว่าไอ้ความคิดมันคือความเดสู่ แล้วก็ไอ้คนที่เขาจัดจอดเนี่ยลปเรือไฟเขาก็เลยเหมือนกับเข้าอยู่บนเรือไฟอยู่เรือไฟความเร็วสูงนี่เขาอยู่ก็แล้วเรือไฟความเร็วสูงเนี่ยเขาเลยเหมือนขึ้นเดือไฟความเร็วสูงไปมองเห็นโกว้างภายในเนี่ยไอ้มองเห็นรู้อะไรก็เลยเะโลกกว้างมาเอาใครมาพมเจิดจอดเป็นความรู้ภายในแต่ความเขาเนี่ยเป็นความรู้ที่เหมือนคนทุกไม่ได้เพราะว่าเป็นความเป็นความรู้ที่เขาอยู่บนเรือไฟความเร็วสูง เขาไม่เข้าใจเรื่องว่าความไม่คุงแต่งคือเขาเนี่ยไม่ได้ขึ้นรถไฟความเร็วสูงแต่เขาปล่อยวางกิงดทุเรื่องที่เขาคิดเวลาเขาจะเข้ามาขึ้นรถไฟก็เข้าได้แล้วเขาไม่ขึ้นรถไฟเขาก็รู้ตัวว่าเข า, าก ไ, กไม่ขึ้นก็ได้เขาเป็นผู้ที่ไม่คุ้ม แ, แ, แ, แ, แต่งแต่ความคิดของเขาเนี่ยเป็นรถไฟความเร็วสูงเขาไม่ขึ้นก็ได้พอได้รถไฟผ่านไปขันแล้วกันแล้วแต่เขาไม่ไปแต่เมื่อไหร่เนี่ย เขาต้องการทำงานตางโลกเขาก็กดขรถุนไปความรู้สูงไปเขาก็จะไปดู้เรื่องนเรื่องนี้แล้วไปใช้ประโยชเขาเลยเป็นคนที่ได้สองสมาวว่าโลกก็ได้ทำ่าได้คือใช้ประโยชน์เรื่อโลกได้แล้วก็ตอโลกใช้ประโยชน์กรกโดดรถุนไปมาเรื่องที่จะไปสร้างหาความรู้าก็ลงส้นไปแล้วก็ไม่ติดไปกับกเรื่องก็ปรับยดพอเราพอเขาจะไปใช้ความคิดไปหาประโยชน์เรื่ออะไรที่ประโยชน์คนประโยชน์ชาิประโยชน์อโลกเรงประสาทปัาเขาก็ สามารถที่จะเิขึ้นยิดไปได้แล้วครามารถบรู้ได้หมดคือสามารถพูดง่ายจะคึอลบไฟที่ปรุงแต่กมได้จะไปขึ้นก็ได้สามารถเป็นในจัาวะแต่คนทั้งหลายทด่ไปเนี่ยมันเคลือย่างเดียวลงไม่เป็นคื่อลบไฟความเร็วถูกที่เป็นความยิบไปนะไปก็ลุ้อะไรก็คิดอะไรก็ลุ้หมดพูดอะไรก็รู้หมดทำอะไรก็รู้มหมดมันรู้มบนรถไฟความเร็วถูงคี่เปนความยิบยิบตั้งแเ้า มันเลิกต้นตืต ม, านะ ม, นมาตั้แตเ้มนขึไฟมาแต่เช้าแนะ่าจขคือไฟตอนไหนยังไม่เคยขึ้นเลยเอก็อตอนเช้าตืมาตั้งใจจะคิดอะไรก็เริ่มรไฟลเพราะเราไปเจตานาที่จะิดก่อนจงใจจะคิดตั้งใจจะคิดอะไรก่อนตัแต่เ้าเราเริม่มต้นคิดกาตั้แแล้วอาจถไฟ้าลมถามว่ามันลบไฟัแต่เมื่อไหรนะ่เนี่ย มันยไม่เคยลงเลยทิ้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคนทั้วัน้คืจะไม่เคยลงรถไฟเลยตลอดชีวิตเลืมันยังไม่เคยลงรถไฟเลยอ่ะเือไอสตายี่ยมันรู้มากที่ไก็ตาเนี่ยมันอยู่นรถไวเอออยู่รถไฟกอะไรก็บอกว่าเราไม่รู้จริงๆ้แกแตะก็มีกิดกันนั่นไอซสตายเนี่ยรู้ว่าตะเลหรือว่าเสียงเดินทางหรือที่สุดโ เร็วเสียงห้เร er. so, ็วที่สุดใโลกเรื่อยที่เร็วที่สุดโลกต่อมารู้ว่าแสงเนี่ยเรื่อยที่เร็วที่สุดในโลกเขาบอกว่าก่อนตายเนี่ยตายพ้นพบว่าจิตที่คิดเนี่ยจิตเนี่ยที่มันคิดปรุงแต่งเนี่ยเรื่อยที่เร็วที่สุดในโลกมันก็คิดพดนแต่เรื่องความเร็วความเร็วความเร็วความเร็วแต่ไม่ว่าเขาจะคิดไหไรเขาคิดไปถูกไอตัวเขาเนี่ยไปถูกความเร็วแต่เขาเนี่ยไม่ถัด มีช so <laughs> <Is that all>? ีวิอยู่อาจจะอาจะทันก็ได้แต่ไม่ชีวิตอยู่ว่าเขาลองไปขึ้นสิทธิที่เหลวที่สุดในโลกนี่เขาลองไปขึ้นสิทธิ์ทีเร็วเร็วที่สุดในโลกคนนี้แล้วจะเป็นยังไงรถไฟเดี๋ยวทำเร็วเลยไม่ได้แล้วที่กัมันก็เลยขึ้นราไปจนตายไะตายแนรถไะคือพวเราเนี่ยตายบน ตายบนรถไตก็คไป่เลวยตัแต่เกิดมาเพระฉะนั้แต่เกิดมาเทุกชาติพอเราถ้าเราไม่งไม่ดูไฟเราก็ตายในกที่เาไม่ินไฟแร้วทิ้การกินไฟไเเพราะไอตัวลถไฟเนี่ยที่เราข้นรไฟบอที่คือมันลภามวัตบะเัียนบนในวตตงารเย็นไฟตายเกิดทุกโกกเขาเสียใจกับแค่ใจไปเกิดเป็นสัจจเรน้รัพเป็นธรรมชากับมาลกไปเป็นเทพเ้ดาบเขเป็นมนุษย์ที่ลึกลัาต่างกัไปทุกโกรกเาเสียใจกับแค่ใจเป็นใจเป็นโตมาเป็นเลเป็นลำบากั้ วนไปไปในรูหน้ากาต่างๆไปเจอผู้ตายผู้บุญมาแบบนาม่าบาปไปอะไรเงี้ยจะเกิดเป็นสัตว์ในชาตเปล่ามหนตายโอกาสจะกลับมาเป็นคนน้อยมางกาสท่อยากนี่เราปนเจาตรากวนไเนี่ยไอ้ที่มันวนไปได้เนี่ยเพราะว่ามันอยู่บรถไฟตายแล้วมันแตกมาพบชาติแะชาตินีเกิดมาในชาติี่ก็อยู่บนรถไฟความคิดเราไม่เลงจากรถไฟของความคิดเอามีแต่อยู่บนรถไฟของความคิดคิๆๆิดครถไฟนี้าเรไป เราตือจ้ามาเาเิ่ิดหน่อเสรจื้ามาก็เริคิดห่อแต่ควาจริงมันไม่เริ่มต้นคิดเหมนแล้วเราเนี่ยพอหลับไปแล้วก็คาไปเลยที่รถไปคาไปแล้วก็อยู่ในความคิดเราแบบวัมากเบื่อมาอะไรควกฝันแค่ไหนก็ตื่น้ามาก็ต่อเลยเราไม่เคยลงจากรถไฟเลยในชีวิตเราเมื่อที่เราลงจากรถไฟเนี่ยเราถึงโดนจับายงได้ใจถงโดนจับปมจานโคนจับามทุกข์ตกเราตัวใจกับแกนเน่ พเพราะว่าเกิดจริกับพองทุไม่เกิด็ไแต่เราลงไม่เป็นเราไม่เคยลงเลยเมื่อไรเนี่ยถ้าเราตายในกระที่เราไม่ได้อยู่บนไฟาจริงเราก็จะคนจกความต่างได้คนจากความทุกข์มันหมดได้เรารู้จักจิตัดว่ า, วรร า, า, วาต้นตันหนาที่เป็นคำพูดต้องพูดเลยตน้นต้นไม้อะจึงทั้ที่แบบต้ น, นตันหนา ไอ้ต้นตันหาที่มันจะออกลูกออกไปออกลูกออกหลาไปเผยแพร่เข้า่านไปชั่วเป็นลาถ้าว โ, โม่สาโหมาเนี่ยไอ้ต้นตันหาเนี่ยเอารู้แล้วว่าจะจะทําลายจเาจวได้ยังไงคือไอ้ต้นตันหาเนี่ยมันจะตน้นใสใหญ่ตน้นต้นโพใหญ่เราไปตัดกิ่้านสาขามันเนี่ยมันก็จะแตกอีกแล้วจะแตกอีก้แล้ไอ้พวกที่เแตกอ้ายอายู่ก็ต้องไปใช้ต้นอะไรเนี่ยเราไปตัดกิก้านสาข า, างนี้ยก็แตกแล้ว เรารู้แล้วว่าอะไรคือรากแก้วของเจ้านา ต, ต้นต้นต้นต้นต้นป้นต้นต้นเร้ารู้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้น้าย้าาาต น, นต้าานต้นต้้นต้นต้นต้นต้นา้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้าต้นต้ต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้น้นต้าาวตานต้้นต้นต้นต้นต้นตานต้ต้นนต้้นต้นต้น้ต้้้้้ ก็คือความคิดอี่คนระับเรารู้แล้วว่าเพี่ยลราแก้วของเจ้ า, าคือความิันนี้เราตัดราแก้วเจ้าตายแล้วโทษตัณหาโทษตายออกลูกออกหลานตอบไม่ได้พบชาติจะเกิดซิออกลก้องหมุนไป็นิดซไปแพรขอพาเลยไม่ได้อตอไปเรียกว่ากาจัดพืชพืชนคือสิ่งที่จะไปเกิดอีกไม่มีหมดโอกาสพอล่าแก้วตายลาาแก้วของเจ้าเยลาเาเยท่เราัด น, นี้เราทำลายเจ้าไปแล้วทำลาย ไ, ไม่ช่ว่าเราไป ไปดับไปถล่มรถไฟให้มันความคิดให้มันไม่คิดไปทํำให้มันนี่นี่แล้วไม่คิดในที่คนทั้งหลายไม่เข้าใจพยายามไล่ไล่ถล่ความคิดแต่ไมนคิดเพร่าใช่เป็นตำรายรถไฟความคิดเราไม่คึนว่ะเราไม่ขึ้นว่ะเราไม่ใช่แบบตื่นเช้ามาไล่จะดับรถไฟอย่างเดียวทั้งที่ไล่ดับฟังกวกัอะไรไม่พู่งอมาปฏิบัติตามเราเนี่ยแต่เป็นมากไล่ยจะฟังก็ไม่ฟังมานั่งอย่างเงี้ย จะความก็ไป็นความเรามมันข้านเนี่ยมันไล่ดับกันพอข้าไหนนะมันมีความคิดเกิดนี่นะดวงมีความคิดโบกมันก็อีกตัวหนึ่งอะไอตัวนี้จะเรียกว่าอะไรก็แล้วโผล่พร้อมกันแล้วมาจัดการมันจัดการในตัวความคิดเนี่ยเร็วมากเลยแล้วมันดับไปพพราะดวงมันเกิดมานานแล้วแคือพอมีความคิดเกิดขึ้นปุ๊บจะมีตัวโปล่มาแล้วมาจัดการจัดการในตัวความคิดให้ดับไปทันทีเลยพอความคิดเกิดปุ๊บ อีกตัวนั้นนะี่ยจะเรียกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้ตัวทั้งรู้ทั้งจัดการด้วยรู้รู้ต่อาสาร น, นที่ก็คิดเกิดแล้วก็ไปจัดกา ร, การต้องรู้ต่อสารและจัดการมัไม่เกิดเพาะเินพอรู้แล้วไปจัดการไอ้จัดการในตัวความคิด พ, พอคิดปุ๊บจัดการชคิดปุ๊บจัดการช็อตคิดปุ๊เลยเล่นอยู่อย่างเนี้ยทงวัดเขาเข้าใจไงเข้าใจว่าเข้าใจว่าไอ้ถ้าไอ้ความคิดมัตแตกเป็นประการทก่างใจระ่าดไปเขาตั้งมือพิสูน์้ ไม่ใช่นะรถไฟของความกิดหนึ่งมันจะวิ่งเยอะพราะเราจะไม่ตายอ่ะเราต้องรอเราตายก่อนในจมุนรถไฟความเด็วสูงนี้ก่อนเรายังไม่ตายรถไฟความเร็วสูงมันจะไม่ดับรถไฟความคิดมันไม่ดับแต่เราไม่ขึ้นเหมือนตาเราไม่ขึ้นเหมนตาแต่เราถ้าเราจะขึ้นมันแล้วก็ขึ้นไปทํางานเราขึ้นไปทํางานหรือว่าไปลงทั้งเหมือนกับว่าเราไปทํางานตอนเช้าเนี่ยรถคุณจะอยู่ชั้นเดือนเนี่ย อ่ะพอรถไฟมาก็มาขึ้นรถไฟไปงานแล้วตอเย็นกลับมาก็ขึ้นรถไฟกลับมาแล้วลงรถไฟแล้วตอนเช้าขึ้นรถไฟท่ท่าเรือไปเกานั่งขึ้นไปเนี่ยสั้นงจับท่าเรือเข้าไปทำงานในเทพตอาช้าก็ขจากเทพออกทาเรือแล้วมาลงเราจะไปทางานต่ทางานทั้งโลกเา่ใชประโยชน์เราต้องี่คนคว้าอะไรคิดวิเคราะห์เราก็ตั้งใจต้ใจคิดวิเคราะห์พอเราตั้งใจคิดวิเคราะห์ มิสาธิเกิดจอจะอเรื่องเรากาฉลาดเฉลียวก็คือเฉลีก็คือการคนคนเยวี่ารูปความีตใจและแตกต่างในโลกมากแต่เราพอเริมทางานรากพักลงรถไฟพอวันใหม่ก็ขึ้นอีกไปทงานแล้วพอเลิกทางานกลับมาพักลงรถไฟอย่าเราขึ้นไปลงไปขึ้นเปลงไปตึ้นไม่เอ้ยมันไม่นไมมันขึ้นลงไปทั้งชีวิต หลายภพหลายชาติ้อต่อไปกี่ต่อไปกีดต่อไปกี่กืเคยลงรถไฟความคิดเลยมันเลยขึ้นไปกับลถไฟความคิดไปสู่ภพชาติใหม่ภพชาติใหม่ภพชาติใหมภพชาติทุกโศกเศร้าเสียใจคิดเดือนนี้ทุกเดือนนั้นคิดเดือนนั้นทุกเรือนนี้คิดอย่างน้นก็มีอารมณ์อย่างคิดอีกอย่างนึงก็ทุกอย่างทีคิดอย่างน้กับอารมณ์อยาไปเรือเฉื่อยนเ็นรไฟไม่เคยลงเลยทั้งชีวิตแล้วก็ตายกับความคิดแนอนทัองอันนี้นี่ยผมไม่เข้าใจคือ ก็ ไ, ไปขึ้นรถไฟซะลถไฟของความคิดที่พระจ้าตัสว่าเต้องล่ลแกล้วของเจ้าขานานา้นตานก็คือว่าพระองค์เนี่ยไม่ติดไปกับความคิดแล้วพระองค์ไม่ไม่หลไปกับความคิดไม่ติดไปกับความคิดแนละ้จนมีคามาเขียนนะที่ว่าลูกผูม า, มาเขีย น, นหรือว่ามันมีคพูดนี้เราไปเลยไปเ็กคำพูดในก็ะไตรตรงนี้ที่ว่าแต่มีลูกผู่บาอาจารย์พระแม่า อ, อาจารย์ที่บอกว่า ความคิดเนี่ยก็ได้เป็นตัวที่ทําให้เกิดทุกข์เราแชร์ไปหลายเวอแล้วหลายองความคิดเนี่ยไม่ได้เป็นตัวที่ทำให้เป็นทุกข์แต่การที่เราหลงเนี่ยไปกับความคิดเดียบเป็นทให้เราเป็นทุกข์ความคิดเนี่ยไม่ได้ทําให้เราเป็นทุกข์ก็เป็นขันนาตัวขันนาเนี่ยมันมันไม่ได้ทําให้เราเป็นความทุกข์ใจมันเป็นเพียงว่ามันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตามเป็นเหตุของมันเป็นทุกข์กัตัดเนี่ยเกิดขึ้นแล้วดับไปแต่มันนไม่ได้เป็นทำให้เราเป็นทุกข์ แต่เราการที่เราหลงไปขึ้นรถกระบวนการของความคิดรถของความคิดทำใไปเราเป็นมือตอนที่ท่านบอกว่าเราทําลาย ไ, ไอ้เนี่ยขาดแล้วเนี่ยไอ้ปลาแก้วเนี่ยคือทำลายความหลงไปกับกระบวกนการของความคิดเรียกว่านันทินันทินัทนทิคือความเผลอเลินใจไปกับสิ่ที่เราไปรู้ไปเห็นขึ้นรถไฟไปรู้ไปเห็นไปได้ยินไปได้ทีไปรีบรถไปสัมผัส ไปมีความรู้สึกไปคิดอารมณ์อะไรรเิงใจเหมือนพวกใครนั้นขึ้รถไฟความเร็วสูงเียวรอบโลกไปเที่ยโลสายนูนสายนี้สายนั้นสายนี้สายนั้นแล้วบางีพอเพิ่งใจใจเนี่ยเก็จะทีเล่อะไรได้กินอะไรได้กินอะไรที่รถอะไรกายก็ขาดอะไรมีอาการทางกายอาใจก็รู้อะเนี่ยแต่เพิ่ไปกับติ๊กตุููทั้งหมดับพวกที่ชอบขึ้ตัว้องเดียวไปเที่วโลกหรือว่านั่งรถไฟเที่ยวทั่วโลก แล้วก็ไปท่องเที่ยวอยู่นะแล้วไปมีท่องรู้สึกเพิเใจกับการไปท่องเที่ยวเตัวหลงเป็นัวที่ที่รู้อย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่านันทีคือความเพิดพใจมันเป็นต้นเยติทาให้เกิดนี่กิเลสตัณหาและความทุกข์กระบวนการในปัญญาสมุปบาทที่ว่าองค์อยู่ในธรรมจักรมรว่านันทีราคะนันทีราคะนันทีคือความหลงเยื่อเพินเพื่อเพลินเปนใจนันทีราคะสหกตาปัตตะอัตตาลาปิดนอนที่ดี เจอยะนิฐานกาม마ตนาภาวะตนานิภาวะตนี้มึงก็บอกว่าเปนกา마ตนาภาวะตนานิภาวะนาถ้าเราไปขึ้นรถไฟกระบวนการของความคิดหรือขึ้นเครื่ินที่เป็นกระบวนการของความคิดไปเที่ยวทั่วโลกเราก็ไม่ไปเนปรนกับอะไรแต่เราจะขึ้นเราขึ้นก็ทำงานแล้วเราก็ลงเราลงก็ลงได้ไม่ใช่หรือแต่คนในโลกนี้ันลงไม่เป็น มันไม่ขึ้นไม่เป็นามันลงไม่เป็นเออมันไม่ใช่ว่าขึ้นขึ้นไมเป็นนะมันลงไม่เป็นมันจะอยู่บนรถไฟของความคิดต่งวนนักเทเจ้ากกชาติไต่ลไม่เป็นแต่ไอเราเนี่ยลงเป็นแล้วเราขึ้นเมื่อไรก็ได้เรขึ้นไปทงานงานแล้วก็เสรแล่เราก็ลงคือลก็คือเ็ที่จะมาเป็นผู้คิดเองเราก็ลงเมื่อไหร่ที่เราเลอกจะมาเป็นผู้คิดเองเราก็ลงอ่าาา เราก็สามารถที่จเป็นคนที่ทำกว่าได้โลกก็ได้ทําก็ได้แต่โลกไม่ได้เป็นไปเพื่อควมนะแต่ขึ้นรถไฟไปเพื่อไปทํางานเพื่อประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ได้เป็นประโยชน์ไปไปทำงานเพื่อไปคิดเุญนั่นเราจะขึ้นก็ได้เป็นขึ้นก็ได้เพราะเราลงเป็นแล้วเราก็ไปขึ้นเป็นเราไปขึ้นหราไม่อยากขึ้นเรก็ไปขึ้นเราขอมันคิดไปแต่เราไม่ขึ้น าอยกข้แต่เราใช้ประโยชน์เลยเราใช้แล้วใชประโยชน์เราเลยมียิ่งมากกว่าอื่นเพราะอะไรพว่าเราไม่ขึ้นกับไม่ขึ้นได้แต่พอเราจะพูดเราูใช้เต็มทีนะเราใช้ได้หูตระพักอะไเนี้ยใช้ประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าใครเลยนะตัวเนี้ยบางที่ไม่ขึ้นแล้วเนี่ยสามารถลงเป็นแล้วไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นได้ไม่ไม่เป็นส่วนต่างการปรุงแต่งได้เวลาจะปรุงแต่งแล้วโอ้ยมียิ่งมากเลยทุกนดีแต่ท่านไม่บอกไม่รู้ไม่บอกไม่บอกเราแบบนี้ เขาบอกอะไร <S an> บอกไปเดี๋ยวคนไม่เชื่อกมไปิาพากอาิจารย์ไปตอบพปติกรรมไปเป็น้ไนาไปโต้แยงแต่ก็ไม่พู ด, พดเขาจะปรูหารกันนะนั่นแหละความจริงก็บพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นเก่งกันน้าอทีนเพราะหมบษลานาหายตัวดำดิอกหรือในนักกาแปลงกายสารพัดจะปลอยหลังไปแนดีตชาติอยหลังไปไกลขนาดไหนก็ได้จะไปแนอนาคตอยไปไหนไปรวมหน้าก่อแนอนาคตก็ได้รู้ว่าราช ก็คืรู้ความคิดรู้คุณรู้บวามรู้จรงทีและจังชั่วของของตนเองและผู้อื่นสอื่นที่เื่อด้วยการเดินไปต่อหน้ามพวกัดพวกอะไรมเงเออรู้หมนไหนไม่ว่าเป็นมาอย่างไรเเกิดเป็นอะไรเคยเกิดเป็นลูกใครมีพ่อแม่ชื่ออะไรมีสามีภรรยาชื่ออะไรมีลูกก้าวเคยเกิดมาชื่ออะไรมีสัตเพอางระเภทอะไรัน <realised> รู้ไปหมดแล้วลวงไหมดล้วชาตินี้อีกใครเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานทำงานเ็ยเป็นยังไงชาตีเป็นสัตว์เชาตเภศอะไรมีกใครเป็นลูกเป็นหลานกี่ตัว การที่เเก็ดเป็นอะไรไปจอรู้มัมรูวไปมดนั่นอันเนี้ยไอ้ความรู้ในทางโลกมันมันไอ้ความรู้ในโลกริงๆเรียนรู้เข้าใจแต่การรู้ไอ้แบบทุกทาย่างนี้ไม่ได้ผู้ไปเึ้รถไฟ้ไม่ได้มันรู้อย่างไรผู้จิเนียรรถไฟรู้ไม่ได้เพราะอะไรไอ้พู้จิเนียรรู้เข้าใจเรียนรู้ได้รู้คอยหลังในอดีตนะนะรู้เวลาจิตพวกืูรู้คอยหลังไปอดีตชาติเป็นทุกทาเท่าไหร่แปนับพวกไกลเปรู้เท่าไหร่รู้หมดหมดฟ้าไกลยิ่ในอากาศ คมรู้ไม่หมดเนี Magic. ่ยความไมหมในโกรรมชาติหาตัวดำดิ่งหินเจออากาศแปลงกายก็ได้ตัวสลพัสจะรู้มีตาที่ผู้ชี้ฟังเสียงในที่นิจได้นเสียงในที่ไกลๆก็ได้คำนวดรู้ในที่ไกลๆก็ได้คำนวณรู้ที่ผ่านมาแล้วก็ได้อนาคตก็ได้ความรู้อันนี้จะเป็นความรู้ของพุทธะหรือที่มไดขึ้นไปขึ้นไปกระบวนการของความคิดอไม่ขึ้นไปเมื่อเขาไม่ขึ้นไปเนี่ยความรู้ก็เลยเป็นคมร แต่พความรู้ท like ี right Listen, <t> ่ม <t> ันย <t> ุ่อยู่บนรถไฟเนี่ยเขาบอกว่าเป็นความรู้แต่มันความรู้ที่มันความรู้ที่มันเกิดจากการคิดปรุงแต่งไปคันเข้าไปยนรู้ไปทำความเข้าใจไปไปรู้ให้เห็นมาแล้วมันเป็นการจากรู้เห็นเข้าใจเรียนรู้มามาปรุงมาคิดอะไรเนี่ยมันก็แค่รู้เห็นแล้วมาปรุงได้แค่เท่าที่เองแหะไปรู้เห็นมามันก็วิเคราะห์จากที่รู้เห็นแต่มันไม่สามารถแบบรู้เห็นได้จริงที่มันเป็นรู้ได้ร มันไม่สามารถรู้ในสิ่งที่มันไม่เคยรู้ไม่เคยดูไอ้คนที่รู้มันอยู่บนรถไฟเนี่ยไปรู้จากความจําการเรียนมายังไรก็ตามมันรู้เพียงแค่จากที่ตัวเองไปรู้ไปเห็นไปจํามาไปทำแต่ไม่สามารถที่จะรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้ในใบหนึ่งมาได้แต่ผู้ที่มันไม่ไม่ขึ้นรถไฟความคิดก็ได้มันจะขึ้นก็ได้ใน่ขึ้นก็ได้มันเนี่ยสามารถกำหนดรู้ไปได้หมด ทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันไม่ว่าคนศักด์สิทธของเีรทพเทวดาที่หอบผ้าหน้าบนฟ้าในอากาศไกลขนาดไหนมันรู้กว้างรู้ไกลรู้ไปทุกทับทิมทุกหมดเนี่ยรู้ในเอยียร์รู้ลรู้ควาลรู้แค่ไเนี้ยมันไม่เรียนรู้มันรู้ได้เพราะมันไม่ได้เรียนรู้มาแต่มันรู้ได้เพราะอะไรมันเป็นความรู้ที่เด็ไม่ต้องเรียนรู้ไปไม่ดีเรียนรู้เนี่ย มันรู้จากการเรียนของกระบวนการความคิดที่มันเพิ่งไปไปรู้เนี่ยเรียนรู้จากการคิดการเรียนการวิเคราะห์เนี่ยมันรู้ได้เท่าที่มันไปเรียนรู้มาไปได้เห็นมาได้คิดได้ไปเต้เห็นได้ยินมาล้วมองวิเคราะห์แต่มันไม่สามารถรู้ออกมาจากใจได้ที่ไม่คื้รถไปของการความคิดน่ะไม่รู้อะไรไอที่รู้ออกมาจากใจที่มันไม่ดินที่เป็นกระบวนการแลดความคิดเนี่ยอันนี้มันเป็นวิปทะมันเปนรู้ออกโลกธาตุมันจะยิ่งใหญ่กว่าความรู้ความเห็นในการเรียน ใช่ถูกต้อนะครับอาหารพระพุทธเจ้าทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ว่าความรู้ความรู้วันนี้เนี่ยเป็นความรู้ที่ไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายได้แล้วก็เนี่ยที่ใดมีความว้างที่ใดมีธรรมชาติที่ความรู้ใช่ไม่แตกไม่ดับไม่ทำลายไม่สูญไม่สูญหายไปใช่แล้วก็สอนทครู้ใชใช่ ่ติด่อยู่กับผูรูไม่ติดแตเนี่ยที่เรานี่นะคือกลับมาทําที่เราพูดเอาของผูู้ดูับพูดอันนี้เนี่ยที่เราพูดตอนแรกว่าหยุดการตกแต่งแต่งหยุดกิริยาหดิริยาติดพอริยเข้าติดนม่ตกออกนอกไม่หลั่งไหลไม่กระเทือน อูดกับสติที่สมบูรณ์เป็นวิหามมีสติที่สมบูรณ์ช่อยู่จะอยู่กับผู้ที่ไม่ขึ้นรถไฟอะไรไอเนี่ยที่เราพูดมาตำรวจคือผู้ที่ไม่ได้ขึมม้นรถไฟของควาคิดแล้วผก็เลยปล่อยให้ความคิดเป็นรถไฟที่ความในกระถูกผ่านไปผ่านไปแต่ความไม่ขึ้นไปที่เราพูด่าทุกตัวตคือไอตัวตัวนี้ตัวเดียวเลย ไอตัวที่ภูมันเห็นรถไฟวิ่งแต่ตัวมันไม่ขึ้นเลยแต่รถไฟผู้ิีิ่งไอรถไฟความคิดความเร็วสูงเนี่ยมันจะวิ่งผ่านไปกี่กบกี่บนมันไม่ขึ้นไฟไอที่เราพูดทุกตัวเนี่ยมันคือตัวนี้ก็เลยแต่ผมไม่เข้าใจผิดฟังเขาพูดเราไม่เข้าใจผิดมันจะผิดอะไรก็คือหยุดความคิดหยุดกริยาจิตมันจะไม่หยู่รถไฟอ่ะที่เป็นความเร็วสูงความคิดให้มันไม่ขึอนนี่หรือว่าให้มันจับสายไฟเนี่ยเขาป็นเพรเรามาเห็นตรงเนี้ยเราคุ้มรู้ ทำผิดแต่ที่เ็ไรมันคนลเรือกเลฟ้าอันนีเลยเขาพยายามจะไปจับตไฟนี่ตัวไฟความคิดของเขาเนี่ยจะความเป่นชุมันดับหาหมดเดียแต่ความฟ้าเปล่าที่เขาไปแปลว่าหยุดิตหนึกจยดตึกรองหยุดฟุ้งแตงหกิริยาจิงดูตัวความไม่ดีไม่เป็นอะไรเลยต่อเป่าบริสุั้นี้เขาไปแปลผแปลผิดคนเรื่องแปลกัวไมัวเลยู ที่ตัวเแปลนกับความป่าเปบริสุทธิ์ไอะไรเยไม่มีความคิดไม่มีความคุแตกใดๆเลยไม่มีกิริยาที่ใดๆอยู่กับความป่าๆ่าบริสุทธิ์ไม่คุมแตกไม่มีความอะไรเลยทุกอย่าง่เออไปเลยเร้งบอกว่าแป่ิดต้งแต่หัวจากท้ายเลยแล้วมันัดทั่วกก็เ่าเป่าิสทธิ์ความป่าเป่าเอาสุดท้ายมาลบหัวเลยแล้วก็ไปดัดรถไฟที่กระบวนการคิด ไม่ให้มีกวามคิดและปฏิบัติแล้วดเกือร้อยเอ็นต์ที่ปัญหาเราจริงๆหนก็เกาะแค่สองตกาะรู้เกาะขอคือตอนที่ระหว่างหนูเดินหนูเดินมนเลาหนูเกาะหนมาที่หนูเกาะตรงนี้ึงปัจจุบันนี้หนก็พยายามไล่ของหนูดูไปเรื่อยๆแตู่ก็ยังหลงหลงอยู่ใช่ไหมแต่โดาฟังตรงนี้เราจะกระจายมากขึ้นแล้ว ว่าอะไรเป็นอะไรว่าอะไรไม่ผิดคูรอยู่บเรือแนคือรู้ที่มันไม่ขึ้นรถไฟไปกับเวาตากับคิดแ้วอมันคิดไปแต่เช้าเราอยเริ่มึ้นแต่เช้าพราตื่นเช้ามาเราเริ่มเริ่มกิดิตัวทำนี้ทำนี่ตั้งแต่เช้าเราจะขึ้นรถไฟตั้งแต่เช้าแล้วเราก็หาไม่เจอเราขึ้งแต่เช้มาตั้งแต่เรืตั้งแต่เช้าเลยเพรารู้สึกตัวคิดจะทำนองดจะทนี่คิดจะไปหาคนนั้นคิดจะไปหาคนนี้เราเริ่มขึ้นรถไฟตั้งแต่เช้าเลยเราก็เลยไม่รู้ตัวขึ้นอะไรเมื่อรหร่แล้ว พยายามมารูเอกพยายามมารู้อตอนนัแต่เราเนี่ยจะไม่ได้ลงรถไฟเลยีวมันเไม่ได้ลงรถไฟแลรถได้ไงเาเราก็เลยรู้เป็นทาสักการะอยู่บรถไฟแต่ก็การูเป็นไม่เป็นกันนะู้ตรงที่ว่ามันจะลมรถไฟหรือว่ารู้ะไ่ถึงขึ้นรไปเนี่ยมันต้องวินี้วมันี้องขับนเล ไอ้บางคนเนี่ยเขามเข้าใจแลจาเปเขจะพูดกอนลปูดุ่ก่อแล้วูดจริงๆเลยคือมันจะเข้าใจแล้วว่าไอ้ตัวที่บอกว่ายุดิดหยุดนึกุดตื่ังหยุงแต่งหกิริยาจิตเนี่ยไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่เอาอะไรเลยเนี่ยไม่เป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยเปล่าไปห้นยดเลยไอ้นี่มันคือไอ้ตัวน้าหนูเลยไอ้ตัวที่มัน เป็นตัวรู้ที่ไม่ได้คือกระบวนการรถไฟของความที่ตั้งใจรับมันเป็นในตัวนั้นหมดเลยเพราะไอตัวนั้นเนี่ยมันเป็นตัวที่ไม่ใช่่าเอาตัวมันไปหยุดคิดหรือตัวมันไม่ได้คิดแต่ว่าไอตัวที่คิดมันคือไอตัวรถไฟตัวพุงแต่แต่ตัวมันน้เป็นตัวไม่คิดคือตัวมันนั้นจิ้งเกว่าตัวมันนั้นหยุคิดแต่ไอตัวอจะเป็นผู้คิดแต่มัน้นไม่ได้คิดอาจจะพูดได้ว่าเราเนี่ยเป็นตัวไม่เคลื่อนไหวแต่ทุกสรรพสิ่งนเคลื่อนไหวเราเนี่ย เป็นผู้ที่เป็นเคลื่อนไหแต่ทุกปกติเป็นเคลื่อนไหวนักเีอะไรที่เราไม่อยู่เป็นผู้เคลื่อนไหวเราในตัวเอเออถ้าตามใจเราเคลื่อนไหวเราก็คือรถไปกระบวนการของความคิดไปแล้เราก็กลายเป็นวปุงแตงเราบุ้งแตงแล้วเราก็บอกว่าบุงแตงเรารู้ทาไมเราเราบุ้แตงเรารู้เราบุ้แตงเราก็รู้แต่เราเรี่ยเรารู้มาได้วากบุ้งแตงเราบุ้งแตงแล้วมันจะไม่รู้อาจารย์พูดฝ่าอาจารย์ก็รู้ว่ากลางผู้ แต่มันพคงแต่งอยู่เราคงแต่งแล้วเราจะรู้ได้ยังไงก็เราพคงแต่งอยู่แล้วเราเป็นคนคงแต่แล้วเราก็เราก็บอกว่าไมจะไปรู้อาจารย์เนี่ยผมเชื่อพวกอาจารย์รู้พกอาจารย์อยู่เราก็คงแต่งล้วก็รู้แต่เราก็คงแต่งอยู่นะครก็จะรู้ได้ยังไงก็เรารู้ได้แต่รู้งแต่ง้วเราอยู่บนรไฟที่เป็นคงแต่งเราก็ได้เห็นอะไรที่ยาวเป็นธรรมชาติเหมืีนนี่ก็ณีสัตว์ป่ะอะรถไฟจะตายที่บอกว่าเราอยู่บนรถไฟความเร็วของเราเลยเห็นต้นไม้ตึกษามชันชอบผมเพื่อนที่ผ่านหมดเลยแต่เราอยู่บนรไฟเราไม่เพื่อนที่ มันเห็นทุกอยางเป็นธรรมชาติหมเลยเราต้องไปขึ้นรถไฟว่าไปเราต้องหนป่ะโอ้ยไอ้รถไฟแล้วคนที่อยู่บนรถไฟทุกคนเนี่ยวันเกอดที่หมดแต่มีแต่เราเท่านั้นแหะที่ไม่เกอดที่อันนั้นเนี่ยถึงจะใช่ที่ตัวเองตัวตัววเหานี่เนี่ยเป็นผู้ไปถึแต่แต่ว่าเป็นคนละขั้นตอนกันคือขั้นตอนที่ตาความข้าใหญ่ทีู่ราพูด้พูดเนี่ยปขั้นตอนที่ตาความก้าใหกับตอนตอนท้ายๆเนี่ย คือขั้นต่อที่ไปขึ้นไปคือนรถไฟขั้นตอนที่ท่านบอกว่าหยุดคิดหยุดนึกหยุดไปเป็นผู้ปรุงแต่งเนี่ยหือเราเนี่ยจะต้องไปเป็นผู้คุงแต่งซะก่อนเราจึงจะรู้ว่าความไม่ปุงแต่งมันเป็นยังไงและความปุงแต่งมันเป็นยังไงเนี่ยเป็นการที่แบบทำความเข้าใจนะครันี้ยำควาเข้าใจว่าต้องหยคิดหยุดนึกหยุดปงแต่งซะก่อนเราจึงจะไปเห็นความปุงแต่งได้แล้วเราจะพบว่าเราเนี่ยเป็นความไม่ปุงแต่ง ไอ้ตัวเนี้ยในครั้งนี้ต้างต้องเข้าใจแล้วก็ต okay. ้องเป็นคต่อปอนการคือคุณต่องหยุกหยุดเสริึหยุดปรุงแต่งกิริยาจิตพยายามทาอะไรเป็นอะไรทั้งหมดเนี้ยคุณต้องหยุดความเป็นปรุงแต่งของตัวคุณก่อนเมื่อคุณยุดความเป็นปูุ้งแต่งของตัวคุณเสร็จแล้วแล้วคุณเนี่ยอย่าเริ่มต้นปรุงแต่งอะไรมาแล้วกันแล้วคุณไม่เริ่มต้นปรุงแต่งอะไรมาคุณจะม้างเปลือกไฟที่ปรุงแต่งไปดูสิ เอก็ไปการไป็นผ้ใมุงแต่งเพื่อผมก็เลยรู้ว่าเออความมุงแต่งกับความให้มุงแต่งมันเป็นตัวเดียวึกจะเห็นเมอเห็นทันทีปุ๊บมันจะเป็นเปล่าเๆบริสุทธิ์เพาะไอความไม่พุงแต่งเนี่ยมันเปล่าเปลาบิสุทธิ์แต่ความมุงแต่งเนีมันเกิดที่ไอหัวกระท้ายเนี่ยเพราะเขาเขียนลมกันเนี่ยมันเป็นภาพปฏิบัติสภาพของโผล่เนี่ยมันเอามารวมกับสิ่งมงคลเข้าใจไหมมันเอามากกับผล่เนี่ยมารวมกัน เออมันกลายเป็นว่าไอ้ฟอฟ้ามันยู่ไมันเป็นโถนแต่ตัวทีุคิดหยุดนึกหยุดความคง้แต่งหยุดกิริยาติตอ่ะมันเป็นมัดมาเป็นมักหรือตัวเราเนี่ยต้องหยุดแต่เรากับก็ใจผิดหยุดเราเนี่ยมาจะเอาตัวเราอยู่แต่เราจะไปอยู่ไอ้ตัวคุ้มแต่งมันเนี่ยเขาหยุดคนละเรื่องคเราเรื่องหรือเราจะมุ่งพยายามไปอยุดในตัวคุ้มแต่งแต่เขาบอกให้อยุ่ที่ตัวเรา เราเนี่ยจะไปปรุงแต่งแต่เช้านะตื่นเช้ามาไป็นแบบปรุงแต่งเลยที่จะไปทำพูด่จะไปทาที่คิดจะไปับนีู่ด้วเลยเป็ปรุงแต่งแต่เช้าแต่ไม่ใช่วะพอตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็เริ่มต้นจะไปไล่ดับในตัวปรุงแต่งไล่ดับความคิดทุกความคิดี่มันวางเปล่าเออไอนี่เราเข้าใจผิดคนละเลือกเลยนี่ยคือตื่นเช้ามาเราก็เริ่มต้นจะไปดับไล่ดับในตัวความคิดที่มันปรุงแต่งอ่ะให้มันดับหมดัจะได้เหลือแต่เปล่าๆกับรู้สึ เปล่าเลื่อมเลนะงนี้ยปัจเจกิตรงเนี้ยเปลราเลื่อมเลเข้าใจไเนี่ยุเตรงเนี้ยไม่มีใครอธิบายที่เยื่อหรือเราเนีงี้ยเออเราอ่านไปเยอะแล้วเราก็แไเราศึากษาไปนเนี้ยไม่มีใครอธิบายเหกบเรอเาก็อธิบายกันอย่างเงี้ยนะ